สองพันหนึรยสามสิบสามน้ำปฏิบัติธรรมที่นี้ก็ได้สามสีวันคอร์สเนี่ยการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตพัฒนากายพัฒนาสังคม ที่นี่เราฝึกฝนอบรมด้วยการเจริญสติประฐานสีเป็นหลักสติประฐานสีหรือสติประฐานสองก็ได้ดูไกลกับใจภาวิตจิตอบรมจิตพาวิตากายอบรมกายพาวิตาสีน อบรมความประพฤติที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยคือตัววัฒนธรรมเนเองปัจจุบันการพัฒนาจิตใจเนี่ยจะมีมากเกิดมากแล้วก็ทําได้หลายรูปแบบบางอย่างพัฒนาไปสู่ความงมงายก็มีบางอย่างพัฒนาเพื่อไปสู่อัติเรกลาภก็มี มาอย่างพัฒนาเพื่อแสวงหาโลคิยาสมบัติซึ่งเป็นอุดมการเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่อการดับปัญหาในคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของการพัฒนาจิต จนสามารถนำไปถึงการสิ้นทุกเนี่ยท่านตรัสเอาไว้ก็ไม่มีอะไรนะท่านพูดถึงเรื่องการทุกที่ไหนก็คือดูที่นั่นทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้ดูทุกที่นั่นแต่จะาสามารถพัฒนาดได้ตามแนวทางการแนะนำสั่งสอนของพุทธองค์ก็คือทุกเกิดที่ไหน ดับได้ที่นั่นเกิดที่ตาเห็นก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูไม่ได้ไปเกิดเป็นเชื้อประทุ ข, ขึ้นมาคือมันจุดไม่ติดกับใจเราจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นเป็นสักแต่ว่านั่นก็หมายถึงว่าเราต้องไม่ปรุงแต่งตามการปรุงแต่งตามจะต้องไม่เกิดขึ้น กระทบผัสสะเห็นเฉยๆได้ยินได้ฟังเราไม่เอามาใส่ใจทีนี้การจะไม่ปรุงแต่งตามก็ต้องมีความรู้ความเห็นความเข้าใจนะความจำแจ้งว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีสาระแก่นสาร ไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องผองปุถุชนเป็นไปเพื่อทุกเป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อนันธิความเพลินเป็นไปเพื่อราคะเป็นไปเพื่อการไม่ดับไม่เย็นที่เขาให้เห็นถ้าเราดูเห็น ว่ามันมีอาการแบบนั้นจิตก็จะลดน้อยถอยกำลังในการที่จะเข้าไปปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่มีสาระโดยนี้สิ่งที่ไม่มีสาระเราก็วว่ามันมีสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นอสสาระทุกมันก็เลยดำเนินไปเรื่อยๆเรๆๆทุกเกิดได้เพราะความหลง เราไม่เห็นกายไม่เห็นจิตตามหลักของสติปัฏฐานเวลาเราพัฒนาจิตแล้วก็อาศัยความเพลินเป็นแกนอ น, นันพัฒนาไปสู่ความสุขโดยอาศัยอามิตรเพื่ออาศัยเหยื่อเป็นตัวล่อความสานุกสนานความเพลิดเพลินเป็นนันทิราคะ สาคตาตาตาพินันธินีมันจะทำให้เพลินอย่างยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาศึกษากายซึ่งเป็นบ่อเกิดของทุกข์ทั้งหลายจึงพยายามที่จะให้เห็นตามความเป็นจริง<ม>เห็นตรงๆลงไปที่ตัวทุกข์ ดูกายให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเห็นกายก็ทนได้ดูได้กายเคลื่อนไหวกายยักย้ายถ่ายเทอิริย์บถทั้งหลายที่เราเปลี่ยนถ่ายอยู่ตลอดเวลาเราถามมันไหมว่าเบื้องหลังมันคืออะไรนั่งนานก็ไม่ได้กินนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ได้ตื่นมา ก, ก็ไม่ได้เพราะ แต่ละสภาวะแต่ละตัวแต่ละตนคือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดำเนินไปโดยธร ร, ดรด ธ, รรธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วก็เดินไปตามธรรมชาติธรรมชาติของเขาก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรานั่งนั่งไปสัหน่อยเดี๋ยวอาการนั่งนี่ก็ชะลาภาพลงแล้ว เ, เต้องเปลี่ยนเป็นยืนเป็นเดินเป็นนอน จริงๆก็คือสภาพมันตายนีย่สภาพรูปอุปาทายรูปที่อาศัยมหาพูทรูปนี้เกิดเนี่ยมันตายมันแกแล้วมันตายคือมันทนไม่ได้ทนไม่ได้มัน่็ตายก็เสื่อมไปแล้วก็เริ่มใหม่คือเราเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนี่ไหนก็กินกินเพื่ออะไรเพื่อให้กายได้ตั้งอยู่ได้ พอตั้งนานๆมันก็เหนื่อยการทรงตัวของธาตุดินเนี่ยเราต้องพามันไปนอนเบื้องหลังของมันก็คือ ค, อความทุกข์ตั้งนานปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความทุกข์นะเป็นอาการของทุกข์ทุกแปลว่าทนไม่ได้ทุกแปลว่าทนได้ยากคือมันอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งนานๆไม่ได้ ยิ่งคนที่มีกายมีอะไรที่มันเสื่อมโทรมจะทนได้น้อยกว่าคนที่กายปกติหิวเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากทุกข์นั่นแหละมันทนไม่ได้คือมันจะเสื่อมสลายนั่นคือทุกข์คือความจริงที่ปรากฏกับกายอันนี้เราก็มาดูมันนะ ดูให้เห็นความจริงไงนี้แล้วจิตที่เกิดความพยศความอยากที่วิ่งออกไปข้างนอกมากมาเนี่ยพยาไม่เข้ามาดูความเป็นจริงไงนี่ของบ้านที่มันกาลังผุพังเนี่ยไม่ใช่ไปเพลดิดเพลินอยู่กับข้างนอกมาดูด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยร่างกายซึ่งเป็นบ้าน จิตนี้มีถ้าคือกายเป็นที่อาศัยต่อไปมันจะไม่ได้อาศัยอยู่ล้ความปุพังมันจะเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนตลอดเวลาเราไปเที่ยวมากจิตเนี่ยเที่ยวจนติดนิดสัยบางทีจนจะเป็นโรคประสาทแต่มันไม่เคยมาดูกายอันนี้ซึ่งเป็นบ้านของมันนี่ กาเรามาพยายามมาลึกรู้ดูมันใช่ในไรืลึกรู้ใช่จิตหรือสติจิตกับสติเนี่นนยเดียวกันไหมไม่แน่นะคนที่มีจิตอาจไม่มีสตินะคนหลายๆคนนะจิตก็มีแต่ว่าสติไม่มีไ ม, มไม่มีสติ สตินี้เกิดจากจิตจิตเป็นตัวรับรู้อารมณ์แล้วสามารถมีส่วนประกอบได้ห้าอย่างจิตอาการที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใรเรีว่าขันธ์ทั้งห้าตัวรับรู้เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าวิญญาณก็ได้รับรู้วิญญาณธาตุ แต่รู้เฉยๆนี่เรามาเรียนรู้เฉยๆให้วิญญาณเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นไม่้ตกพงไปในรูปรสกลิ่นเสียงวิญญาณเป็นว่าการรู้แจ้งทางอารมณ์รู้แจ้งทางตาจากขวิญญาณทางหูทางจมูกลิ้นกายโซตวิญญาณขานะวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณทางกายกายแยกวิญญาณจิตมนุวิญญาณ วิญญาณเป็นว่าการรับรู้วิญญาณนะการรู้ไม่เหมือนกับวิญญาณในาศาสนาพราหมณ์วิญญาณของเปรตของผีอะไรองเงี้ยไม่เหมือนวิญญาณของพุทธนะคือพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่มีอะไรที่งมงายไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของภพของชาติ ที่นอกจากเรื่องของจิตใจโลกนี้โลกหน้าของอุาสนาก็หมายถึงความคิดแต่ละขณะหนึ่งหนึ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอุปท า, านเป็นความยึดมั่นความสาคัญมั น, มนหมายแต่ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นโลกโลกหนึ่งอดีตของแต่ละคนก็เป็นพบเป็นชาติ หนึ่งหนึ่งที่นี่ชีวิตเนี่ยที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้มันพรอะไรเพราะมันติดไปแล้วแหละติดพบติดชาติติดความคิดติดอารมณ์เพราะความหลงเพลินในเวทนาเวทนาจริงๆเ่ยก็จะมีน้อยเดียวสุขน้อยเดียวทุกมาก ฉันยังให้เปรียบโดยําไปว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันเหมือนของที่หยิบยืมเข้ามาเรายืมเข้ามาเราโตขึ้นโตขึ้ น, นเนี่ยคือเขากำลังเอาคืนไปนคืนไปผมเขาก็ดึงไปแล้วบางคนเอาไปจะหมดหัวแล้วก็มีออกมาได น, น้อยก็ดีอยู่บางคนเขาก็ส่งสัญญาณว่าเริ่มงอกแล้วนะ อย่ามัวลเล่นเดี๋ยวนะจะเอาไปแล้วนะเอาคืนแล้วนะตาเขาก็เริ่มเอาคืนไปงูก็เริ่มหนวกเริ่มอะไรจมูกลิ้นลิ้นรับรสก็ไม่ค่อยได้แล้วนั่นคนเท่าคนแก่ชอบกินอะไรที่เปรี้ยวๆของหมักของดองอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ากระตุ้นลิ้นนี้เกิดรสให้มากขึ้นเพราะอะไเพราะว่าเขาเริ่มเอาไปแล้วการรับรู้วิญญาณตอนนี้เขาจะเริ่มดึงกลับหมดแล้ว เราจะโมเพลินสนุกสนานกับครอบครัวกับผัวกับเมียกับทรัพย์สมบัติอยู่เพลินกับกันมาปรุงรสปรุงอะไรอยู่เนี่ยเขาจะเอากลับหมดแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ปรุงอะไรที่มันมากขึ้นมากขึ้นอาหารการกินเขาก็จ้างมือไปไปรุงปรุงรสให้การเกิดการผัดสะที่สูงขึ้นกระตุ้นตอมในลิ้นเน้มันมากขึ้น ให้วิญญาณเนี่ยมันคงที่ถ้าไม่มีการกระเสือกกระสนยิ่งวิญญาณเราไฟต่ํามากเท่าไรการโปรโมตโฆษณาสินค้าการซื้อการขายอุปสงค์อุปทานก็จะมากขึ้นนะพอมากขึ้นก็กลายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมายิ่งทําให้คนมีความอยากมากเท่าไหร่ปริมาณการซื้อขาย ก็จะเกิดขึ้นมากตอนนั้นดังนั้นในส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะวิถีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงในปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาเพื่อยั่วให้คนเกิดกิเลสยั่วให้จิตวิญญาณเราต่ำลงต่ำลงถ้ามนุษย์ในโลกนี้บริหารชีวิตจิตใจด้วยการขาดสติ การปัญญายานในการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยคนนั้นจะเสียค่าบริหารชีวิตค่าดำรงอยู่ในพบในชาติแต่และวันแต่ละวันเนี่ยด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากไม่เหมือนกับคนที่เขาสติเยอะตัดอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์รู้จัก อะไรควรไม่ควรอะไรจำเป็นไม่จำเป็นมันดูออกอะแต่คนไหนที่สติน้อยจะตกเป็นทาตตกเป็นทาตของกิเลสตันหาของความคิดความอยากที่เกิดขึ้นกับกายอันนี้แล้วเมื่อ น, นั้นเขาจะเป็นคนที่กลาหายความสุขหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ เมื่อไม่พอก็ต้องทุจริตผิดระเบียบผิดกติกาก็ต้องมีการยื้อแย่งแข่งดีดังนั้นศีลธรรมก็จะถูกทำลายไปกฎระเบียบของสังคมเนี่ยสังคมที่มันสวยงามก็เสื่อมโทรมไปเครื่องมือในการจัดระเบียบคนไม่ถือระเบียบระเบียบตื้อแต่ความอยากตัวเองเป็นใหญ่ เขาเรียกว่าคนไม่มีธรรมไม่ถือธรรมเป็นใหญ่ถือกิเลสถือตัญหาเป็นใหญ่ปัญหาในโลกนี้ก็จะพอกพูนขึ้นเลยเอ ย, เรอยตระกัวคนมาเอาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ก็ต้องซื้อปืนซื้อรถทั้งประเทศไทยซื้อเรือดำน้ำปกป้องรักษาอิไระไ ท, ทางทะเล ซื้อเอฟนั้นเอฟนี่ป้องกันซื้อตู้นั้นตู้นี้แบบป้องกันทางข้างบนทางอากาศทางภาค พ, พื้นดินรถถัง M สี่สิบเอ็ดเดี๋ยวนี้ยโลทิ้งปเป็นแถวๆใช้งานไม่ค่อยได้เอาไว้จะโชว์หรือว่ก็เอาไปขู่พวกเดินขบวนเฉ ย, ยๆเดีเนี้แต่ออกรบนี่ไม่ได้มันตายกลางทาง ประเทศอื่นก็เหมือนกันเขาเรียกว่าเสริมแสนยานหนุภาพจริงๆเพื่ออะไรเพื่อปกป้องจิตวิญญาณตัวเราเองนั่นแหละเพื่อคมขู่จิตวิญญาณคนอื่นที่มันจะรึกเถิมเข้ามาเอาวัตถุสิ่งของของเราที่เราคิดว่าเป็นของเราเนื้อป้องปรามนืป้องปราบ จิตที่มันมีกิเลสมีปัญหามากมายที่มันไม่เข้าใจชีวิตตัวเองที่มันไม่ได้มีการพัฒนาบางคนก็เสวงหาเงินทองเข้าของแบบง่ายๆเล่นการพ น, นันเนี่ยเพื่อจะหาเงินเงินเป็นตัวแปรมาสร้างความสุขให้กับชีวิตมีสองอย่างปัญหาของคนที่เสวงหาปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเงินสองกาม หาผู้หญิงครับผู้ชายหาคูนะ่ถ้าหยุดความอยากสองอันนี้ได้ก็คือจบปัญหารากเหง้าของชีวิตยิงมันเกิดสองอันนี้แหละเพราะเราทะเยอทยานวิ่งไปหาสองอันนั้นนี่หากรรมหาเงินชีวิตนะั้คือไม่ได้พัฒนาไปสู่ธรรมชีวิตเนะี่ย สว่วยงานทำก็คือหาธรรมชาติของกายว่ามันเป็นยังไงมันมีความจำเป็นระดับหนึ่งนะต้องใช้เงินใช้ทองใช้นนใช้ดีแต่อย่าใช้ด้วยตัณหานะอย่างเราเจ็บไค้ได้ป่วยบางทีไปหาหมอหาพยาบาลไปซ่อมกายเนี่ยต้องใช้เงินนะบางที ไม่แต่นักโพสตนักบวชซึ่งเป็นกลไกลหนึ่งของสังคมนะที่ช่วยช่วยในการที่จะจันโลงสังคมคือช่วยอบรมช่วยฝึกช่วยหัดช่วยทําคนมีสติสัมปันยะทําให้สังคมเนี่ยมันเดินไปด้วยดีบานที่ไปหาหมอเขาก็เก็บเงินหมอเขาว่าเขาเรียนมาเขาเสียค่าเติมค่าหัวค้านนค่าดีด ก็ต้องเอาแต่จริงๆในสมัยก่อนเนี่ยสมสมณชีพราหมณ์เนี่ยเขายกเว้นทางบ้านทางเมืองเขาให้เกียรติให้เกียรติว่าอะไรเพราะว่าอย่างบ้เมืองที่มันสงบสุขมันไม่มีปัญหาเพราะสมณชีพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้จันทร์ลงเอาไว้อาจจะสร้างระบบของวัฒนธรรม ขนรทำเนียมประเพณีมาช่วยประคองช่วยดึงเอาไว้กลุ่มนั้นก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมเขากลุ่มนี้ก็มีการฝึกจิตอบรมใจปรากฏการณ์แบบนี้ทําให้สังคมมันสงบมันปกติผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองก็สามารถเก็บภาษีเก็บค่า ทำมาค่าขายเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างสาธารณูโปโภคในแต่ละด้านให้กับสังคมแต่ถ้าสังคมวุ่นวายรัฐจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการที่จะดูแลคนสาธารณูโปโภคก็สร้างให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอแต่เพราะเป็นเพราะสั ม, มณนาชีพรามนักพจนักบวช เป็นคนสร้างความรู้สึกนึกคิดสร้างจิตต้างวิญญาณซึ่งเป็นฐานของมนุษย์ที่จะก่อกำเนิดมาเป็นตัวสังคมที่ผลักดันกลไกในแต่ละอย่างแต่ละอย่างออไปให้มีความนิ่มนวลมีความปกติมีความสะอาดสดใสไม่ทะเลาะเบาแวงกลัวบาปกลัวกรรม นะกระตุ้นใหส้สังคมแต่ละสังคมเนี่ยเน้นย้ำถึงคุณธรรมของตัวเองที่อยู่ด้วยกันมีความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันตามหลักของทิศหทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้เบือเบ้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังนะ ท่านต่อสอนเอาไว้ดีมากพระพุทธองค์เนี่ยแต่ในหลักทำทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากการเข้าใจชีวิตวชีวิตที่มันรวมกันเป็นสังคมกับหมู่กับญาติกับพี่น้องกับบ้านเมืองกับระหว่างประเทศกับอะไราตานี้ก็ต้องอาศัยการเข้าใจทางจิตวิญญาณตัวเองนี่แหละองค์ประกอบของคนอื่นก็เหมือนกับของเราเราทุกข์ เขาทุกเหมือนกันทุกกายก็เหมือนกันทุ ก, กความโลภ โ, โกโรธหลงคนอื่นเป็นเหมือนกันกับเราเราเป็นยังไงเขาก็เป็นแบบนั้นดังนั้นคนเข้าใจชีวิตตัวเองก็เหมือนกับเข้าใจชีวิตคนอื่นปัญหามันไม่เกิดถ้าเราเข้าใจพัฒนาชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันมีก็เป็นปัญหาที่มันมันเป็นปัญหาที่เข้าใจได้แก้ไขได้มันไม่ได้เกี่ยวกับ ทิฏฐิมานะไม่ไดเกี่ยวกับราครัไม่ได้เกี่ยวกับตัญหานะคือมันเป็นปัญหาที่มันเป็นธรรมชาติปัญหาที่เป็นธรรมชาติเราก็เรียกว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรนะชื่อมีการมาเฝ้าดูกายเฝ้าดูมันดีๆวันหนึ่ง ถ้าเราเข้าใจอย่าน้อยเข้าใจกายเราก็ไม่เอากายไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่เอาไปกินเหล้าไม่ไปสูบบุหรี่ทำงานก็พอประมาณไม่ได้ทำเพื่อเอามาสนองอยากได้อนั้อยากได้อ น, น, น, ออ น, นี้ทำแทบเป็นแทบตายไม่ได้พักได้ผ่อนะแล้วเราก็ต้องดื่มต้องกินต้อง ขับกล่อมมอมเมามันเพื่ออะไรเพื่ออาศัยอามิตรเป็นตัวประคองจิตแล้วมันก็เกิดตัญหาทยานยาขึ้นไปเรื่อยๆนั้นดูวันนี้เราเห็นนะการพัฒนาสังคมรูปก็พัฒนาหนักขึ้นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีการดูหนังดูภาพยนตร์ ดูฟุตบอลดูอะไรเนี่ยเป็นระบบสามมิตินะเนี่ยคนไหนมีเคเบิลทีวีจะจ่ายแพงขึ้นสูงขึ้นฟุตบอลต่างชาติต่างอะไรเขาเริ่มทำกันนะแต่ก่อนดูธรรมดามันไม่มีอัตรรสเขาก็จะพัฒนาเรื่องการดูนี่แหละพัฒนาขึ้นอีกขึ้นอีกเลยเลยเขต้องจ่ายมากขึ้น ถ้าจะดูระบบเนี้ยเขาต้องจ่ายน่าจะอีกสักปีหนึ่งน่าจะทั่วโลกได้โหก็เหมือนกันนะเขาจะพัฒนาระบบเสียงเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่จ่ายก็ไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในสังคมเนี้ยมันเหมือนรถนะเราซื้อรถยี่ห้อนี้มาก็ยังพอใช้ได้อยู่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 แล้วจะไม่ได้อะไรเลยชีวิตเนี่ยไม่มีเท่าไหร่เก่าเท่าไเทร า, ามันยั่วนะนะแล้วระบบให้คิดจมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็สร้างระบบเกมขึ้นมาไม่คิดออกไปนอกถ้าคุณไม่คิดเลยไม่คิดคุณต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเกมก็กดไปกดมาอย่างนั้นนะเราจะอยู่กับกายเนี่ยไม่แทบไม่ได้เพราะเขาสร้างให้เรายึดติดอยู่กับอันนั้นนีไม่หมด คนไม่มีสติสัมป ญ, ญญาเป็นคนที่น่าสงสารเป็นสัมภเวสีที่วิ่งหาที่เกิดไม่รู้จะไปเกิดตรงไหนยังไงวันวันนึงนี่เกิดอะไรขึ้นมาก็เสียแต่เงินเสียแต่เงินต่อไปเนี่ยและอยู่แบบอึดอัดแล้วคนที่จะสร้างปัญหามากที่สุดก็คือไม่ใช่คนจนไม่ใช่คนรวยแต่คนที่ขาดสติขาด การศึกษาตามระบบของพุทธธรรมเพราะการศึกษาระบบทุกวันนี้เดนนี้เขามีเนี่ยเขาว่าเปิดจากสูตรการศึกษาอยู่ที่แม่โจเนี่ยปอโหลักสรการบริหารการจัดการภูมิสังคม้องด็อกเตอร์สมิธตันติเวชกุลเลขา ใช่พัฒนาแต่ตราบใดก็ตามว่าที่มนุษย์เราสร้างมนุษย์ออกมาใช้กิเลสรับใช้กิเลสเนี่ยก็เป็นธรรมชาตินะตกไปอยู่กับระบบราชการซึ่งราชการเนี่ยมันมีระบบคอรัปชันรองรับอยู่เต็มไปหมดจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยก็เป็นไปตามกลตามไก่ เป็นไว้แต่ว่าจะสร้างจิตอันนี้ให้อยู่เหนือเนือกิเลสตหาเนื้อความคิดความอยากนี่ได้คือสร้างจิตมนุษย์ให้อยู่เหนืออารมณ์ได้ได้แต่ถ้ามนุษย์ยังอยู่ใต้อารมณ์อยู่ภาใต้อารมณ์ความคิดความอยากมนุษย์คนนั้นก็มาอยู่ภายใต้กรอบที่เราสร้างขึ้นมาที่มันเป็นรูปแบบ ที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์จากโลกอันนี้อีกเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมอะอย่างน้อยๆก็ได้เงินเดือนดีถ้าไม่ได้ดีก็ไม่ทำเนี่ยเห็นไหมจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ถาว่าเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากเนี่ยก็คืองานถามว่าชีวิตอยู่ได้ไม่ก็อยู่ได้น่าอยู่ได้อย่างเรามาอยู่ที่นี่กินวันละมือ้อ มันอยู่ได้ไมมอยู่ได้เราเรียนรู้นะถ้าสังคมในี่ลดอาหารลงบ้างวันละน้อยๆเหมือนที่เราเป็นเนี่ยหมดประเทศเนี่ยสามารถเอาไปเลี้ยงประเทศอื่นแถวแอฟริกาเนี่ยได้สบายเขาแบ่งให้เขามื้อหนึ่งนะ่ะอาหารที่เราบริโภคนี่ได้เลยแต่เนื่องจะว่ามันไม่มีจิตสำนึกแบบนั้นนะ่ะมิเตจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น กิน2องมื้อสามมื้อสี่มื้อเข้าไปเรื่อยๆแล้วอาหารแต่ก่อนถ้ากินธรรมดามันก็พอเหลืออยู่นะเดียเด๋ยวนี้เขาเอาวัตถุดิบเนี่ยมาปรงุงมาแต่งขึ้นมาคือเราจะกินเก็บกินให้หมดโลกเนี่ยให้ได้มีอะไรก็ตามปรงุงจนเกิดความอยาก มายั่วให้เราเกิดกิเลสทั้งนั้นเนะ่ยท่ า, าก็ต้องซื้อกินตนะ้องซื้อกินเน่ยข้าวบ้านเรากินกีอิ่มในะอิ่มแต่เขาเขาว่าแปลสภาพเป็นอย่างอื่นนะให้เรากินข้าวตลอดเวลาเป็นขนมแบบนั้นเป็นพืชผักแบบนีนะ้ไม่กินแห้งก็กินสดกินสดก็กินแห้งกินส่ารพัดแต่ที่เขาจะผลิตขึ้นมานั้นลูกหลานเราที่เกิดมาใหม่ ใหญ่มาที่หลังเนี่ยโอกาสที่จะตกเป็นธาตุของวัตถุนิยมเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเว้นไว้แต่ว่าพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองพวกเราเองเนี่ยพระสงค์อ ง, องเจ้าช่วยกันเข็นธรรมะในใจเขาพาเขาฝึกสติฝึกสัมปะยะ เป็นภูมิธรรมคุ้มกันโรคจิตโรคความคิดความอยาโกโรคกิเลสตนาให้เขาทางโลกเขาพัฒนากันจังนะวัดซีนแก่โรควัดสองพันแปดสองพันเร้าสองพันสิบแล้วจะป้องกันในอนาคตด้วยเดี๋ยวเขาเร่งละวิจัยแล้ววิจัยแล้ว วิจัยจากไข่ไก่วิจัยจากเพาะเชื้อจากนู่นจากนี่เขาวิจัยไม่หยุดยัง้งปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนจะทํรลายคนเขาวิจัยวัคซีนมาฉีดนะแต่กิเลสนาเกิดขึ้นทุกหย่อมยญาทุกมุมเมืองไม่มีการพัฒนาหลักสูตรไม่มีการพัฒนาจิตแต่ว่า ถ้าจะแล่เหลียวมาบาังก็จะเห็นว่าหลักสูตรของการพัฒนาจิตของมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าได้ค้นพบและทำเป็นสูตรสำเร็จเอาไว้แล้วคือไม่ต้องพัฒนาใหม่เลยเพียงแต่หยิบยกออกมาใช้เท่านั้นเองแต่คนมันติดอะไรทำไมไม่มพัฒนาสารพัดนะสารพัดที่มันติดติดความอยากติดความคิด ติดอัตตาติดตัวตนนะแม้แต่คนปฏิบัติทําอย่างเราเทั้งหลายนี่เขาจะแตะไม่ได้นะบางคนตัวตนมันเยอะตัวกูเรื่องของกูเลยนะีนะ่แหละปฏิบัตบิทํำบางคนก็จิ้งเอาจังเอาเป็นเอาตายแต่บางคนก็ทําเหยาะแย่แย่ธรรมะคือความพอดีอะไรที่มันพอดีเอะคือธรรมะที่นี้ความพอดีวัดได้ตรงไหน วัดตรงที่มันไม่เปลี่ยนเบียนตนเองและผู้อื่นนะเบื้องต้นงามเบื้องกลางงามที่สุดงามอธิการยานางมัทเทยกรยานางปริโยซากรยานางเบื้องต้นเป็นปกติคือสี่หินความงามเลยเบื้องกลางจิตก็เริ่มเป็นสมาธิชีวิตที่เป็นสมาธินนะเบื้องกลางงามสุดท้ายคือการรู้แจ้งเป็นปัญญา สิ่งที่พัฒนาเนี่ยถ้ามันไหลไปสู่กระบวนการอันนี้ได้นั่นแหละคือมันไม่เบียดเบียนแต่เบื้องต้นเราปฏิบัติทำเอาเป็นเอาตายขาขาดไปข้างหนึ่งยังไม่ปกติก็แสดงว่ายังยังไม่จริงหัวขาดไปข้างหนึ่งแต่ยังไม่ปกติแสดงว่าทำยังไม่ถึงแต่ถ้ากิดดิกนนิ้วหรือหายใจเฉยๆ เ, เนี่ย ก็ปกติแล้วจิตก็กลับมาอยู่กับสภาพธรรมแล้วก็ถือว่าธรรมจริงนั้นความจริงความจังแต่ละครั้งแต่ละคราในจิตของแต่ละคนไม่ค่อยเหมือนกันเห็นไหมเราปฏิบัติธรรมาสระยะหนึ่งพอรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องเทศไม่ต้องสอนอะไรที่ลึกซึ้งอะไรท่านตั้งหลายก็กลับสู่ฐานเดิมได้องตาไอซะหน่อยเนี่ยท่านก็รู้สึกตัวละ ยังไม่ได้เทศเลยนะมันกำลังง่วงอยู่นี่หายใจแรงๆใส่ไมโครโฟนหน่อก็เอาก็ตื่นตัวขึ้นมาแล้วเห็นไหมไม่ต้องลงทุงเทศอะไรมากมายถ้าคนเข้าใจชีวิตเนี่ยแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยต้องเอาเข้าห้องแลบสอนบอกกล่าวเนี่ยนเข้าคลอดเข้าอะไรมากมายนะต้องปลุกต้องเรานะ้ากระตุ้นมากๆ ม, มันถึงจะกลับคืนมาได้ บางทีก็ไม่ได้เพราะมนุษย์มันมีอัตราตัวตนเราก็ตุ้นมันมากแต่มันโกรธความโกรธมันเกิดขึ้นฟาดงวงฟาดงาฟาดหัวฟาดหางอันตรายไปหมดนะมนุษย์เพราะเราไม่เข้าใจชีวิตจิตใจเรานเนี่ยของที่ได้มาฟรีๆเนี่ยได้มาง่ายๆเราเอาเป็นเอาตายกับมันเพราะมาฟรีๆ ก, ก็จะตายแบบฟรีๆนะถ้าเราอยู่แบบฟรีๆเนี่ยจะดี เดี๋นี้มันไม่ฟรีผ่านอะไรก็ติดอันนั้นผ่านอะไรก็ติดอันนั้นตาเดินผ่านอะไรก็ติดหู่มาเป็นพวงเลยหูได้ยินอะไรก็เก็บมาเป็นเกอบเป็นกรมจมูกก็เหมือนกันเอาหมดเลยนะน้ำอบน้ํำหอมแต่ก่อนก็ธรรมดาหายใจอากาศธรรมดานี่ต่อมามันก็ติดเข้าไปในรถถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้อยู่ในบ้านต้องฉีดเสื้อผ้าต้องมีกินใบหน้าหูหา ตาจมูกต้องมีน้ำกลิน่นน้ําหอมอันใดอนนี่งชนิดนั้นยี่ห้อนี้เครื่องสําอางสํำอางหนังหน้าต้องรองพื้นรองอะไรเนะ่ยหนังเท้าก็รองถุงดูดิชีวิตเนะี่ยแต่ทำแต่ละอย่างได้ไม่จะไหนต้องก็เสือกระสนดินหลนะ่นเนี่ยซื้อนะซื้อนะในนี้คนทั้งหลายพยายามที่จะกระตุ้นให้สังคมเนี่ย กลับมามองชีวิตตัวเองเอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาใช้สิ่งที่มีเนี่ยเอาออกมาใช้มีอะไรก็เอาออมาใช้อย่อะของนอกหลายปะนั้นทางข้างนอกเป็นอย่างนั้นนะจิตใจคล้ายๆกันดูดิแต่ละครั้งแต่ละคราวที่กายขยับได้เนี่ยใจมันวิ่งไปได้กี่รอบแล้ว กายเจ็บก็ขยับกายเป็นเรื่องธรรมชาติใจก็ยังนิ่งอยู่เป็นธรรมชาติเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ได้เน่ะออวิถีของพุทธธรรมคือแบบนั้นวิถีพุทธธรรมวิถีวิถีก็คือทางเดินทางเดินวิธีพุทธธรรมก็คือเดินตามรอยพุทธบาทนั่นแหละเดีนนยวกันที่เราดูพระบาทรอยพระบาทที่น่นที่นี่จริ ง, รงๆก็คือรอยธรรมนั่นแหละรอยพระบาทคือ ทางเดินของผู้รู้ตื่นเบิกบานไปทางไหนไปทางสติปัญญานเนี่ยนะฮะจุดเส้นทางการเรลึกรู้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามันเรยลึกรู้เสร็จแลวเราก็เริเดินตามพระพุทธเจ้าเรีลึกทุกครั้งก็เหมือนเหยียบดอกบัวแต่ละดอกไปดอกบัวสัญลักษณ์ของการรู้ตื่นเบิกบานคุณธรรมทั้งหลายมันปรากฏเกิดขึ้นไดนะ้ถ้าเราใส่ใจที่จะเรีลึกรู้เฝ้าดูเนี่ย แค่เห็นกายตามความเป็นจริงเนี่ยหลายหลายคนนะเห็นกายเบบผิวเผินยังเกิดระบบ<ม>การกินแบบชีวจิตขึ้นมาเลยการดูร่างกายเฝ้าดูเห็นแต่ยังไม่รู้แจ้งยังเกิดระบบแพทย์ทางเลือกขึ้นมาเลยนะมาบีบมานวดนะ มาดูแลเอาใจใส่ร่างกาก็ปกติแล้วแต่ที่จ ะ, ะวิ่งไปเสียเงินไปนอนในอ่างหมาเข้าให้เขาบีบเขานวดเขาตำเขานะลงไหเพลิดเพลินไว้มันก็ไม่เป็นคือแค่เฝ้าดูชีวิตเชื่อหน่อยเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของใกล้ตัวและแก้ไขปัญหาชีวิตได้หมด กินนน้อยกินผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้นอนในที่สบายๆแต่ก่นอนนอนอะไรลก็เป็นนุ่มนิ่มนะอย่างนั่งอะนเนี่ยมันฟูมันแฟบไปน็นไมเหมือนกันก็กลับมาเขาให้นอนไม้กระดานนะกระดูกสันหลังจะได้เหยียดตรงแต่คนเรามันเสีบติดไง พอให้มานั่งมานอนนี้ไม่ได้ต้องแบบนั่นต้องแบบนี้ต้องปูแบบนั้นแบบนี้นอนก็ต้องเป็นห้องององแอนะต้องห้องแองหอแอ้หองแอมันก็ต้องขึ้นขึ้นลงลงนะมันอยากบีบสัก5องศาก็ได้สิบองศาก็ได้เขาบอกว่าเปิดไม่ควรต่ํากว่า25้ามันก็ไม่เอาอเพราะความสั่นใจไงความยึดติดไงแล้วส่งผลต่อการสิ้นเปลืองสิ้นเปลือง สร้างปัญหาให้กับโลกความอยากของเราเนี่ยโลกมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเพราะอะไรต่างคนต่างดึงเอาพลังงานฟอสซินจากพื้นพิภพมาปั่นใบฟ้าแต่ละครั้งเนี่ยหมดไปเท่าไหร่วันหนึ่งคืนหนึ่งนะยิ่งความอยากของใครมีสูงก็เป็นอย่างนั้นกลางวันยังไม่พอยังมีการเที่ยวกลางคืนอีกเที่ยวเล่นไปนนไปนี่ก็ต้องใช้เรื่องพวกนี้อีก ดูดิความไม่เข้าใจชีวิตยอย่างเดียวนะสร้างปัญหาให้กับโลกมากรัฐบาลก็ต้องจ้างตำรวจจ้างทหารคุมจ้างรอปภจ้างอะไรดิ น, นี้รอปภเขาก็อยากได้เงินเดือนมอบพวกเนี่ยจะได้เงินเดือนหนักเข้าไปพระภิกษุสงององค์เจ้าอาวาสพระสงฆาทีการทั้งหลายในฐานะผู้คิดระทันทำงาน ให้กับสังคมก็เรียกร้องเงินเดือนเนี่ยเเนี้ยเรียกร้องสิทธินั่นสิทธินี่ข้นไปแต่ในรณะเดียวกันรัฐก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญต้องเดินขบวนเอาที่จะได้เ <c oughs> ดี๋ยวนี้พระไม่แต่หาที่อยู่ตามดงตามป่า <c oughs> เพื่อพัฒนาฟูมฟักสติปัญญาตัวเองเพื่อไปพัฒนาสังคมก็ยังแทบไม่มีเขาไล่ออกหนีออกหมด ได้หนีออกมอสให้พระไปพัฒนาจิตอยู่ตามคอนโดนเนี่ยเนี่ยคือสังคมมันเสื่อมสามลงไปจนั้งว่าไม่มีใครเห็นประโยชน์ของความสงบกันแล้วสันตุดถีปรมังธนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ความสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งสันโดษมากน้อยสันโดษคือความเข้าใจชีวิตเป็นทรัพย์นะเป็นทรัพย์สินที่ควรจะมีเป็นทรัพย์อย่างยิ่งแต่คนไม่ไม่มีความสันโดษความสงบสงัดความวิเวกเนี่ยเป็นทรัพย์ขอแต่ใจมันสงบเถอะขอแต่กายมันสงบระงับเถอะเราไม่มีปัญหาแล้วไม่มีอยู่ไม่มีกินก็รู้สึกว่ามันสงบมระงับนะมันไม่กวนกวาย แต่คนไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านี้แสวงหาความกังวลกวายแสวงหาถ้าไม่แสวงหาความกวนกวายเขาก็พยายามที่จะอยู่ความไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้เราแสวงหารูปรสกลิ่นเสียงสมบัติอารมณ์ก็คือไปอยู่ขอ ง, ของไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็สงบไม่ได้พอเราต้องเต้นไปตามจังหวะเวลามันเสื่อมมันเป็นอนิจจังเนี่ยเราต้องเต้นหาภาวะที่ที่ไปอยู่ในภาวะที่มันจะเป็นนิจจังให้ได้ ไปอยู่ของที่กับเป็นอ น, นิจจังของไม่เที่ยมก็เป็นทุกข์มันเสื่อมเราก็จะเต้นหนีจากทุกข์ไม่ได้แต่เต้นไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอ น, นิจจังเหมือนเดิมมันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมก็เต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาตามจังหวะนะแต่เต้นยังไงก็หนีออกจากวังวนของทุกข์ไม่ได้เหมือนฮนุมานเนี่ย พนุมาลไปเผากุงลงกาจุดไฟเผาหางตัวเองแลโดด้โดดไปนั่นโดดไปนี่เผาเขาเสร็จไฟในหางไม่ดับไม่รู้จะทำยังไงแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทำยังไงก็ต้องไปถามพระฤาษีพระฤาษีว่าเอาใส่น้ำบ่อน้อยจุ่มเข้าไปในปาก น, ะน้ำลายลูบดับเองนะับทำตามดับ นี้สังคมทั้งหลายนี้เหมือนมีปัญญาติดอาวุธทางปัญญาปัญญาก็ตัวแทนก็คือหนุมานนะแต่อยู่ด้วยความโลภโกรธหลงสนุกสนานเพลิดเพลินเผากายอันนี้มนุษย์กายนี่คือกุงลงกาเผาด้วยความโลภโกรธหลงแต่ละวันเนี่ยที่เราคุ้นเรื่อว่าสนุกสนานนะที่เราไปเที่ยวเตรีฮฮาตรงน้นตัวนี้ นึกว่ามันสนุกแต่ที่จริงมันเผาตัวเองนะมันติดหางตัวเองถ้าไปถามพระฤาษีถามนักโพสต์นักบวชผู้ฝึกผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่ารู้สึกตัวสิอยู่กับสติสิถ้าเราลึกรู้อยู่ปัจจุบันไฟราคะโทสะโมหะมันก็จะดับแต่มันก็จะเยือทยานเพราะมันคิดประมันก็คือหนุมานมันก็คือเจ้าของปัญญา คนมีปัญญาเยอะมีอิทธิฤทธิ์มากอิทธิฤทธิ์มากมันก็อยากแสดงมันไม่เชื่อพระลือสนะีสังคมเป็นไงปัจจุบันเนี่ยต่างคนต่างมีไฟเผาตัวเองเผาไปเผามาเผาไปเผามาดีนะพวกเราฮหนุมานน้อยพวกนี้มันยังมาเชื่อพระลือสีพยายามที่จะดับ แต่มันก็ยังหาบอ่อน้ําคําไม่ถูกอยู่มันยัดเข้าปากถูกตา ก, ก็มีถูกหูถูกจมูกถูกลิ้นถูกกายมันไม่ตรงไงเราจึงพยายามที่จะขุดบอ่อน้ําของเราให้เห็นให้เจอให้ได้น้ําบอ่อน้ําคือสติสัมปชัญ ญ, ญนะบอ่อน้ําคือญาณทัศนะบ่อน้ําคือปัญญานะที่เรามีเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเราแบบนั้นเราไม่เรียกว่าปัญญาอันนั้น หรือถ้าให้เกียรติกันหน่อยก็คือถ้าปัญญานี่คือมันดับทุกข์นะนะแต่นั้นมันไม่ดับทุกข์ในเบื้องต้นมันอาจจะเหมือนดีๆเราค้นพบอะไรใหม่ๆในโลกเนี่ยอย่าเราไปเห็นเดี๋ยวนี้เห็นอุกกาบาตเห็นนู่นเห็นนี่ในดวงดาวในดาวอังคารดาวพฤหัสเห็นนระาเหมือนว่าเป็นปัญญาของมนุษย์นะที่ได้ไปเห็นนู่นเห็นนีนะ่แต่ว่ามันไม่เห็นจิตตัวเอง ไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นใจตัวเองปัญหามันไม่ได้ดับไปอะทุกมันยังไม่ได้ดับแล้วเราจะเรียกปัญญาเหรอไม่ได้เรียกนะแม้แต่เราผลิตอันนั้นผลิตอันนี้ได้ก็เหมือนกันนะสร้างสินค้าแต่ก่อนมีสังกะสีมีเงินเดียว ด, ยวดยวีทำจากพลาสติกเดียวน้ยมนุษย์ปัจจุบันนี้เป็นมนุษย์ยุคพลาสติก พปกติเละๆอย่างอย่างร้ายกว่าเหล็กเนี่ยกับไม่สลายขยะจะล้นเมืองเนี่ยขยะคอมพิวเตอร์ขยะอะไรนะล้นเมืองไปหมดนะขยะล้นเมืองเราทักแนะนําให้ถ้าวันไม่เสียหายเขาไปทิ้งเป็นทําเป็นปากการังเหมือนเขาตู้รถไฟไปทํานะไปทิ้งลงทะเลซะทําเป็นปากการัง ให้ปูปลามันอยู่ได้แต่ไม่รู้เป็นพิษหรือล่านะระบบรีไซเคลิลเนี่ยไม่พอเดีย๋ยเนี่ยเพราะมันไม่ได้สวยได้งามต้นทุนการผลิตมันก็จะสูงต้นทุนการซักฟอกเนี่ยพลาสติกเก่าๆ เ, เนี่ะมันยากแล้วคนก็ไม่นิยมใช้ปัญหามันดูดิใจอย่างเดียวเลยนะสร้างปัญหาให้กับโลกหมดเนะี่ย ปัญญาหาหลายอย่างนะการเห็นโลกเนี่ยมันมีพราม์คนหนึ่งเขาบอกสมัยก่อนเขาเกิดเขาเปิดเป็นลือสีสมัยนี้เมื่อเกิดเป็นพราม์เขาจําชาติได้เขาบอกว่าชาติที่แล้วเขามีอิทิฤิ์มากเหาะไปนู่นเหาะไปนี่ด้วยความเร็วสูงอาจจะถึงนะเจ็ดจุดห้ามาร์ก ความเร็วนะเร็วกว่า F18 นะพยายามเหาะด้วยความเร็วสูงเพื่อหาที่สิ้นสุดของโลกสมัยก่อนนะ่ะเหาะไปโน่นเหาะไปนี่เหาะไปหมดเลยปรากฏ ว, ว่าตายในระหว่างตายกลางทางคือมันไม่สุดที่เหาะอยู่ร้อยปี ấy, ไม่ถึงที่สิ้นสุดของโลก <c oughs> ก็เลยเกิดมาชาตินี้จำได้พบผมที่แล้วนะ เลยมาถามพุทธิยา้าข้าแต่พรงผู้เจริญที่สุดของโลกมันมีไหมเพราะเขาไปเจ้าเหาะมาแล้วเจ้าทีแล้วเหาะจนเมื่อยนะยังไม่เห็นที่สิ้นสุดของโลกเลยพระงองค์ตอบว่าไงฉันตอบว่าอืมจะหามันทําไมะไอ้ น, นั้นเธอนึกว่าเป็นปัญญาหรอปปัญญาหาโลกอยากรู้โลกว่ามันมีที่สุดไม่มีที่สุด ไม่เกิดประโยชน์นะมีแต่ตัณหานะที่สิ้นสุดของโลกจะหาพบได้ก็ต่อเมื่อเหอะเข้ามาข้างในนะเข้ามาในกายดูในกายกว้างสองอยาวานาคือปนี้ในพื้นที่อันเนี้ยมีคำตอบให้แล้วเธอจะรู้จักที่สิ้นสุดของโลกเพราะมันอยู่ตรงไหนดูดิปัญญาพระพุทธเจ้ามองให้ ตรงที่มันจบปัญหานั่นคือปัญญาแต่อะไรตรงไหนที่มันถึงไม่จะรู้เรื่องมากๆอะไรยังไงอะถ้ามันไม่เกิดปัญญามันไม่ได้ดับทุกอันไหนที่มันไม่ได้ทำให้ทุกให้ความอยากมันดับได้เขาไม่เรียกว่าปัญญาแต่โลกก็พยายามแสวงหาแสวงหาความอยากไม่ได้แสวงหาปัญญา นั่นเพียงจบไม่เป็นไงพัฒนาโลกเนี่ยพัฒนาลงไปนะถ้าทําไม่คนหันหัวกลับเนี่ยจะยากยิ่งพัฒนาออกไปข้างนอกก็เหมือนกระตุ้นให้คนหันกลับทิศหันกลับทางออกไปข้างนอกบ้างบ้ามองไปไกลแล้วนะฝรั่งเขาศึกษาระบบวัฒนธรรมการปฏิบัติตัวต่อกันและกันในสังคมพุทธตามระบบของทิศหกเนี่ยเขาทึ่งมาก สังคมพุทมีแบบนี้ด้วยเหรอเจ้านายปฏิบัติโต่บาวทิศข้างล่างยังไงเออเฟื้อกกูนตามตามีําได้ให้โอกาสให้กินของวันที่ชอบใจให้โบนัสแท้ได้เนไหมถ้าสอนมาหมดแล้วปฏิบัติต่อสมณพราหมณ์ทิศเบื้องบนแบบไหนนะพวกราษราชการพวกบริหารบ้านเมืองแต่ก่อนเขาเคารพสมณ พ, พราหมณ์กันยังนะเพราะอะไรเพราะว่านั่นคือผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่เขาจะได้เสวยสุขสวยกามได้แบบสบายใจเพราะสามณพราหมณ์เป็นผู้บริหารจิตมนุษย์ให้กับเขาเขาก็ตุน้นเขาส่งเสริมเขาสนับสนุนให้งบประมาณให้เงินให้ทุนให้อะไรจ้ะเพื่อพัฒนาเนี่บางคนทุกกับลงทุนลองดูดิผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองสักคนหนึ่งพระบรมราชวงศ์อะไรจ้ะ ลงทุนไปบวชสักคนนึงนะ่ะสังคมดีมโอ้ยเยอะแยะเลยไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองนะต่างคนแต่เป็นแฟชั่นเหอะไปฝืนจิตน่ะังงใจดูดูเจ้านายไปไปปฏิบัติทำลูกน้องไปเป็นแล้ว <c oughs> ลงทุนแค่นั้นแหละแต่ว่ามันต้องลงทุนแบบเป็นตัวอย่างอะเนี่ยนะพูดให้ฟังไม่พอต้องทำให้ดูต้องอยู่ให้เห็นต้องไปเป็นด้วยนะมันกระตุ้นได้ไม่ยาก แต่เนื่องจากว่าของเราทั้งหลายนี่มีแต่การยั่วย้อมมองเมากันวันวันหนึ่งก็เอาอะไรมายัว่วให้เห็นเมืองนอกให้เห็นอะไรต่างเนี่นะยยั่วย้อมต่อมกิเลสให้มันเกิดนะมันก็เกิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนั้นเราจะมาดูตัวเองไงดูตัวเองให้เห็นตัวเองมาพัฒนาพัฒนา นะนะสิยาโลกัวัฒโนอย่าเป็นคนลกโลกพัฒนาศัพท์หนึ่งอาจจะแปลว่าลกก็ได้นะสิยาโลกัวัฒโนอย่าเป็นคนโลกโลกไม่ใช่อย่าเป็นคนพัฒนาโลกนะวัฒโนวัฒนาเนี่ยเขาแปลว่าลกนะเราก็มาเฝ้าดูอะเออมูลฐานปัญหาเริ่มต้นเลยอะเริ่มต้นจริงจิงมันเกิดจากอะไร มาศึกษาที่ตัวเราก่อนตัวเราที่มันเป็นปัญหาหกับสังคมกับโลกปัจจุบันเนี่ยเกิดจากอะไรเรามาดูก่อนนะดูตั้งแต่กำเนิดเราแท้ๆนี่มันเกิดมาจากอะไรถ้าเราไปเอารูปกายเกิดมาก็อะไรยอยู่นานไปแล้วก็ยากไปนะเพราะว่าศึกษาแบบตามระบบของจีววิทยาแบบมดแบบหมอแบบอะไรเขามันก็ไม่ได้ทำให้กิเลสตหาเนี่ยมันจืดจาง เราก็มาเฝ้าดูว่ากำเนิดของชีวิตมันเกิดจากอะไรเกิดจากรูปเหรอเกิดจากรูปหรือเกิดจากนามเกิดจากกายหรือเกิดจากจิตเนี่ยหน่วยชีวิตแต่ละหน่วยที่มันอยู่ปัจจุบันนี้มันเกิดจากอะไรเราก็มาเฝ้าดูดูปรากฏตการณ์นี่ยคนเราเนี่ยไม่ต้อจะเกิดรูปออกมาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นอะไรที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็เกิดจากจากนาม เกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดที่มันฝังอุปทานเป็นนามรูปพัรษะเวทนาตัณหาอุปทานนะเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติไปยึดมัน่นถือมันก็ก่อกําเนิดตัวเราตัวเขาออกมานั้นแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นหน่วยหนึ่งหนึ่งเนี่ยเกิดจากกิเลสตัณหานะอนเนี้ยเกิดจากความคิดอันเนี่ย แล้วความคิดอันนี้ไม่ใช่เกิดมาที่แรกสร้างเป็นตัวเป็นตนเราเกิดขึ้นมาแล้วจะจบไปมันก็ยังคิดตามอีกเห็นไหมว่าสร้างความรักความผูกพันความเสน่หาอะไรติดอกติดใจว่าเป็นญาติกูลูกกูพ่อกูผัวกูเมียกูสร้างอะไรขึ้นเป็นสมบัติกูมันขึ้นมาอีกนะแล้วองค์ประกอบแต่และหน่วยแต่หน่วยอย่างเราเองก็มีความคิดแบบนั้นขึ้นมาด้วยแต่ก็สร้างความผูกพันวัฒนธรรมนั่นกลไก ทางสังคมส่วนหนึ่งเขาช่วยช่วยเพื่อใหญ่เพื่อจะจันลงจันลงความรู้สึกนึกคิดของคนให้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นอะไรกันนะสร้างวัฒนธรรมที่มันเป็นฐานความกระตันยูข้างความมีปปะการีชนสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันเนี่ยให้มองเป็นญาติเป็นมิตรสหาหิซึ่งกันและกัน แม้แต่พระในพุทธศาสนานีอย่างพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกว่าเห็นมองผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับน้องสาวมองผู้หญิงเหมือนแม่โยมแม่แม่ออกไงแม่ออกคือเป็ น, เ ป, นเป็นญาติสนิทด้วยกันจิตมันได้มีความชิดเชื้อความรู้สึกเป็นแบบนั้นเป็ น, นกลไกอันหนึง่งของทุก ที่เกิดขึ้นร่วมชะตากรรมเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งส้นเนี่ยนะคือร่วมชะตากรรมเดียวกันเหมือนป่วยเหมือนกันแต่ละคนนี้ป่วยกําลังจะตายเหมือนกันป่วยด้วยราคะโทสะโมหะแล้วต่างคนก็ต่างจะกําลังจะรักษาเดี๋ยวนีว้เรามารักษาตัวเองต่างคนต่างเป็นโรคชะตากรรมเดียวกันคือโรค เป็นโรคโรค ก, กายโรคจิตเรากายก็เสื่อมตแต่เราไม่เข้าใจแบบนั้นชีวิตเนี่ยเรามองว่าทุกอย่างรูป ก, กายอะไรตั้งหยเป็นบ่กเกิดของความสุขจึงมาสแสวงหาหาความสุขจากคนนั้นหาความสุขจากคนนี้จากรูปจากรถจากกินของเสียงแลกเปลี่ยนกันไปมาอะไรอยู่บาวาณเนี่ยเปลินอยู่ยังกับคนไม่ป่วยยังกับคนไม่ไข้ ยังกะไม่ใช่คนที่เป็นทุกข์นะเราไม่ได้มองเห็นดังนั้นการมาเฝ้าดูรูปกายอันนี้จึงเพื่อให้เห็นสัจธรรมของทุกข์ตามความเป็นจริงว่ามันป่วยนะมันเป็นทุกข์นะที่เขาเรียกว่าทุกขสมุไทยนิโรธมากเนี่ยเขาให้มาดูรูปอันนี้มันเป็นรูปนะไม่ใช่ตัวกูนะรูปพระสองรูปพระ ที่นั่งอยู่นี่เขพระสิบห้ารูปเนี่ยไม่มีจริงนะเนี่ยมีแต่รูปนะมีแต่รูปสักแต่ว่ารูปถ้ามีคุณธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ภายในรูปอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นองค์มีองค์เห็นไหมเวลาไปเข้าทรงเขาเลยเว่ามีองค์ลงมีองค์องค์คือองนะคุณธรรมอ่ะโพชชงคือองค์แห่งการตัดสู่ นะองค์คือสติองคหนึ่งสมาธิหนึ่งองเป็นองค์เป็นองค์งพระสององสมองสี่องค์พะระเวลาไปเอานะพระเท่าไรเท่านั้นองคเท่านี้องค์คือเป็นคุณธรรมคำอ ง, องเนี่ยเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเราเห็นรูปบางทีเขาเรียกว่ากายจิตเนี่เราเรียกว่าน้ำ เห็นมันอยู่อย่างสม่ำเสมอเห็นรูปเอาเห็นรูปเป็นรูปเดินไปรูปเดินดูรูปเดินอย่าไปปรุงแต่งมากรู้เฉยๆรูปแปบนี้นะเห็นรูปอีกหน่อยมันมีอาการเจ็บอาการปวดมาก็เป็นเวทนาศักแต่ว่าเวทนาดูมันเฉยๆไม่สําคัญมันหมายเดี๋ยวมันก็ดับไปเรียนรู้ที่ยังไม่ปรุงแต่งรูปศักแต่ว่ารูปผัสสะก็เป็นรูป รูปกายอันหนึ่งรูปของความคิดแวบขึ้นมาเป็นอีกอันหนึ่งเราดูเฉยๆรูปกายนี่ดูให้ดับไม่ได้แต่รูปความคิดเนี่ยดูแล้วดับได้ละรูปได้ทาลายรูปได้รูปที่ปรากฏขึ้นทางจิตเป็นจินตนาการไปนี่เห็นแล้วก็ดับเพราะธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นรูปธรรมชาติของรูปเป็นอะไรอน่เนี่ยเรามาดูธรรมชาติของรูป อันนี้จังเสื่อมทุกขังไม่ทนในสภาพเดิมอนัตตาสลายหายไปรูปหนึ่งหนึ่งนั่งเป็นหนึ่งรูปเดินก็รูปเดินนอนก็เป็นรูปนอนป่วยไข้ก็รูปป่วยไขย้มันเป็นรูปหนึ่งหนึ่งท่านนั้นเองรูปหนึ่งหนึ่งเป็นอุปาทานยูปที่อาศัยอยู่ในมหาพูตรูปอบบ น, นี้ มันเสื่อมตลอดเวลาเราก็เห็นมันชัดเจยนยิ่งสติเรามีความละเอียดมากเท่าไหร่ความทะเยอทยานอยากความสนุกสนานความเพลิดเพลินไปกับเวทนาเนี่ยยิ่งจะน้อยเพราะเราไปเล่นกับมายามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ได้มีจริงมันเกิดแล้วมันดับแล้วเราก็ต้องประคบประงมวิ่งตามเพื่ออะไรเพื่อให้มันคงอยู่ไง นะยกตัวอย่างตื้นๆอย่างลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงเนี่ยเราต้องวิ่งประคองให้มันอยู่กลัวชื่อเสียงมันเสื่อมมันเสียนะยศฐามบรรดาศัก์หน้าตาของเราเนี่ยเรากลัวเสียกลัวเสื่อมยศเสื่อมลาบเรารักษากันจังทั้งที่เดิมแท้มันก็ไม่มีมันไม่มีปัจจุบันนีหนักเข้าบางทีคุณะทําไม่มี จะพากันรักษานั้นรักษาอันนี้น ร, นนรักษาเกียรติรักษายศรักษาชื่อเสียงลาบยกกรงตระกูลนะมันมากหนะักเข้ารักษากลุ่มรักษาก้อนก็ตนะ้องกระตุ้นกันอนะรักษาไม่กระทั่งสถาบันเลยเพราะจิตเราไงจิตมันเป็นตัวก่อให้เกิดตัวมิจฉาทิฐิมาก จริงมันอยู่ได้ด้วยตัวธรรมมันเองคุณธรรมทั้งหลายท่านพวงตัวเราเองถ้าเข้าใจสัจธรรมองค์ทำปรากฏเกิดขึ้นมันอยู่ของมันเองโดยธรรมชาติความดีความงามมันมีความปกติมันมีมันก็อยู่ได้ศีลแปลว่าปกติเราเคยได้ยินน่ยศีลคืออะไรศีลแปลว่าปกติปฏิบัติธรรมนี่ให้หาตัวปกติให้เจอก่อนหาศีลเนี่ยปกติให้เจอซะก่อน พอเจอตัวปกติและทำตัวปกติให้อยู่นานๆคือให้มันสามารถดูชีวิตนี้ได้นานๆดูรูปดูกายนี่นานๆเวทนากระทบก็ไม่หวั่นไหวยังดูได้นะเที่ยงแดดออกฝนตกยังดูได้ไม่หวั่นไหวไปกับสภาพแวดล้อมคนพูดมายั่วยวนชวนเพลิดเพลินทางต า, งาหูจมูกลิ้นกายก็ยังดูได้ไม่หวั่นไหวใจยังอยู่กับตัวเองปกติ คือได้อารมณ์อยู่นะเขาเรียกว่าสมาธิทีนี้พอมีสมาธิก็เริ่มเห็นนะเห็นความคิดเห็นไกาเห็นกายเป็นรูปเป็นนามเห็นความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์เกิดดับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับจไปแล้วเกิดการปล่อยวางกายปล่อยวางจิตเขาเรียกวปล่อยวางธาตุปล่อยวางขัน ปล่อยวางอุปาทานที่เกิดในขันได้ได้ก็ชื่อว่าเป็นปัญญาปัญญาคือเราหลุดออกจากความทุกข์นั่นแหละหลุดออกจากอุปาทานที่มันเข้าไปนั้นพุทธศาสนากว่าถ้าจะพัฒนานะทำตัวเองให้มีศีลสมาธิปัญญาทำาด้วยประการชนนี้แหละที่สอนไปเนี่ยที่บอกมันไม่มีอะไรมาก ทีนี้กระบวนการที่จะทําให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญานะั้นได้ก็คือเนี่ยต้องมีการระลึกรู้การเฝ้าดูจนทั้งว่ามันเห็นตามความเป็นจริงมันจะปกติได้ก็เมื่อมันมันหยุดอยากมันหยุดอยากจะหยุดอยากได้ก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงอีกแหละเห็นว่าชีวิตี่มันเป็นอย่างเนี้ยนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าให้มองโลกนี้แบบอคตินะว่าเอออะไรอะไรก็มีแต่ทุกข์เนาะอะไรก็มีแต่ทุกข์ สุขจะตายในชีวิตโลกเนี่ยอย่ามองโลกในแง่ร้ายดยิว่ามันมีทุกข์ไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นสัจจะนิยมอันเนี้ยเป็นธรรมนิยมคือเห็นตามทเหมือนเป็นน่สัจจะมันเป็นยังไงเป็นทุกข์จริงไหมเป็นเราไม่ได้มองด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์แต่เรามองเห็นว่าธรรมชาติอันนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่มีเรา ให้มีความรู้สึกเฉยๆในการดูไม่มีตัวเราตัวเขาเข้าไปดูตัวเราตัวเขาไม่ได้เกิดในการดูแล้วเราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เกิดนันก็คือตัวเราเป็นทุกข์ตัวเขาเป็นทุกข์แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเกิดมันดับเองแล้วเราจึงมาเฝ้าดูไงนะดูตลอดเวลาเพื่ออะเพื่อจะให้เห็นตามธรรมเขาต้องเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะ เอามานี่เรามาปฏิบัติทำคือมาเฝ้าดูเนะี่ยซึ่งเป็นทฤษฎีเป็นแบบฝึกหัดที่ง่ายๆดูกายนะเคลื่อนไหวทําไมไมันจึงเคลื่อนไหวเพราะมันอยู่นิ่งไม่ได้ถ้านิ่งเร า, า, าเป็นทุกข์แต่ดีโอ้ดูดีขนาดเนี้ยยังเป็นทุกข์ขนาดนี้เนะี่นิ่งไม่ได้นะมันต้องเคลื่อนไหวเี่ย ถ้านึ่งก็เป็นทุกข์โอ้ร่างกายเป็นทุกข์ขนาดนี้เยียวเลยมันทนไม่ได้สภาพเดิมมันเป็นอดีตจังตลอดเวลาโอ้ยอมรับทำไมจิตจึงจะยอมรับนะทำไมจึงจะสัมมนญาณสัมมนญาณจึงจะปรากฏเกิดขึ้นเห็นไตรลักษณ์ที่ปรากฏในธาตุในขันเนี่ยตามความเป็นจริง ที่แรกก็เห็นกายเห็นนามรูปเห็นความคิดที่ผุดขึ้นทิ้งไ ด, เ ด, งไดนะไ้เห็นความคิดเกิดขึ้นทิ้งได้นะไม่พอเห็นความคิดเฉยๆเนี่ยมันก่อนมีโยองขึ้นมาเฮ้ยหลวงตาผมได้อารมณ์ไหยคือเป็นอย่างนี้คือผมกาลังสู้กับความว่วงสูนะ้ไปสูม้มาสู้ไปมันวุ่นวายจัดๆสู้ไปจนมันเหนื่อยเฮ้ยช่างวัวไม่เดือ ไม่สู้ละดูเฉยๆแต่ก่อนปัดออกปัดออกอยู่ๆก็โล่งโปร่งแล้วความคิดมาเอ้ยหยุดนะมึงอย่าคิดเนี่ยสั่งได้เลยความคิดก็ถอยไปเลยแล้วก็ดับไปไอตัวนี้มาดูมันก็ดับถอยไปเอาหายไปเองให้มันเป็นไปงี้ได้ยังไงเนี่ยใจแล้วก็เกิดโล่งแล้วกเกิดสนุกเลยทีเนี้ยเหมือนยิงใน เล่นเกมในคอมนะความคิดมาแตกเปาะแตกเปาะแตกเปาะดับไปได้ดับไปได้คือผมว่าผมไม่สู้เลยนะแต่ทำไมมันทำได้เองอนะ่ะอย่างนี้จะเรียกว่าได้อารมณ์ใช่ไหมครับอนะไราเธอก็รู้ว่าได้อารมณ์แต่เธอก็อยากมาแสดงให้รู้เฉยๆนะคือมันก็รู้แต่ละคนเนะี่ยโอ้มันไม่ได้อารมณ์ก็ชอบแหละถ้ามันทำได้มันเหมือนเป็นผู้ชนะ สนุกนเนี่ยปฏิบัติทำแล้วสนุกสนุกว่าเลยคู่ต่อสู้มันเหมาะสมกันเน่ยสติมันมันเหมาะสมกับความคิดได้มันทําลายได้มันยุบได้ตัดได้ปรากฏการแบบนี้มีในจิตมีในจิตเราเนี่ยคือให้เห็นให้มีสัมมาสนญญาณเนี่ยปรากฏขึ้นยานคือความอย่างรู้ อย่างรู้เห็นความเป็นไตรักเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังคือเกิดดับโดยธรรมชาติที่มันเป็นอย่างเงี้ยในจิตเราอะไม่ใช่เราไปคุมตัดมันไม่ใช่แต่มันมาแล้วมันก็ดับเองแคแค่ว่ามั น, มนตกลงมาถูกอะไรสักอย่างนะเห็นไหมในจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์อะไรเ์เ น, น็มันมีเหล็กแหลมๆนะอันหนึ่งมันวิ่งมาจกจกจกจกจอมันตกปอกลงมันแตกพะเอาไรเนี่ยได้ไปเริ่มใหม่ เกมม้นนี่เขาบอกว่าเริ่มต้นใหม่นะไม่ได้คะแนนมันมามันตกลงมาเนี่มันตกทุกอันเลยตกลงมาเหมือนมีอะไรมารองรับอยู่ตรงนั้นน่ะเล่ำๆนะมันก็แตกตลอดเวลาแตกตลอดเวลาโอ้สนุกเลยทีเนี้ยคนเล่นเกมแล้วมันสนุกเหมือนกันชีวิตเนี่ยถ้ามันเป็นเกมแบบนี้มันสนุกแต่ถ้าเรามองว่ารู้สึกว่าเราอินกับมันเราทกกับมันนอะ มันปรุงมันแต่งมันเหมือนเป็นตัวตนเราเข้าไปอยู่ในนั้นมันไม่ใช่เกมอะไรสักอย่างาเราเป็นทุกข์นะและเราจะไม่สนุกเลยไม่สนุกเบื่อหนายท่นศึกษาชีวิตเป็นแบบเกมเกมภาษาพระมีนะในพระธปิฎกเขาเรียกว่าจิตตากีลาไม่ได้จริงจังนะคับชีวิต น, น, น, นั้นเรามาเฝ้าดูมันเห็นมันเอานา ม, มารู ป, ปรากฏแบบนี้ดับไปไม่เนาะเกิดไปนี้นะ ร่างกายนี่เห็นครั้งเดียวเท่านั้นแหละสว่างแจ้งเข้าใจแต่เรื่องของจิตเนี่ยมันมีสลับซับซ้อนกิเลสหยาบมีนะท่นถ้าเราพัฒนาได้ตัวเราได้เนี่ยเราอบรมจิตเรามาเฝ้าดูบ้บ่อยๆแล้วเกิดปัญญาเนี่ยเข้าใจชีวิตเนี่ยร่างกายนี้เราก็จะมีระเบียบกับการดำเนินการกับกายได้อย่างถูกต้องจินดื่ม เป็นกินอยู่รู้ฟังเป็นกินดื่มรู้ฟังอะไรที่ปัญญาการษาเขาน่ยมันจะเป็นน่ยมันเป็นเป็นไปตามธรรมนะไม่ใช่เป็นไปตามกิเลสนะเดี๋ยวนี้เป็นเป็นทางไหนถามในปัญญาเนี่ยเป็นแบบกิเลสใช่ไหมเป็นเนี่ยมันมาทิ้งแค่ว่าเป็นนะแต่เป็นแบบไหนเป็นไปตามธรรมหรือเป็นไปตามกิเลสพอมันเป็นไปตามธรรมก็สบายชีวิตเนี่ย กลไกของของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมโอ้สังคมนี่มันก็สงบโดยธรรมชาติพอเราพัฒนาถูกไงพระวิตรกายกระทำได้แล้วนะคือมันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมตามธรรมนะจิตเราก็เกิดการรู้แจ้งแล้ว ไม่มีความอยากมันหนุนให้กายนี้ต้องทําแล้วไม่มีกิเลสตัณหาที่เป็นตัวบัญชาเกมของกายเนี่ยไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะไม่มีการที่จะเอากายนีย้มาตอบสนองการแสวงหาความสุขที่เป็นอามิทที่หลงอยู่เนี่ยหรือแม้แต่สุขที่ไม่อิงอามิทยพยายามปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิด อะไรในลักษณะที่มันไม่เป็นกลางๆที่มันเป็นเองนะมันเข้าใจสุขอิงอมิตรเป็นยังไงรู้นะสุขที่มันมีอามิตรกินหวานเผ็ดมันเค็มตาเห็นเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันอามิตรอามิตรก็มันมีเหยื่อ มีเหยื่อให้ต้องกินกินแล้วมีความสุขอันั้นเราก็วิ่งะตามเหยื่อตลอดเวลาเหยื่อเขาแตะนิดนึงอ่าหวานหวานกลืนลงไปจบเห็นไหน่อยพอหลับตาหายแต่เราก็ติดกันจังอะจมูกดมซะหน่อยดีหันไปอีกจังหนึ่ ง, งหายแต่คนก็ติดดูที่มันแปลกมากอยู่แค่นี้เองนะมนุษย์อยู่ติดอยู่แต่สวรรค์สวรรค์อยู่แค่ปลายลิน้นปลายจมูก ปลายหางตาเนี่ยที่ปัสสะมันไม่มีแล้วทีนี้ภาวิตจิตภาวิตาศีลเนี่ยศีลก็คือมันมีศิลศนลศิลศีลศิลลปะเราไปใช้กายใช้กายเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันมันจะมีศิลมันเหมือนกับการมีชีวิตยอยู่กับสังคมนะแต่แต่ละตัวแต่ละตัวที่เป็ น, นกลไกของสังคมส่วนประกอบองค์ประกอบเนี่ย ต่างคนต่างมีการอบรมกายอบรมจิตแล้วมันก็ส่งผลต่อการอบรมศีลศิลปะในการพัฒนาในการดำเนินชีวิตยอยู่กับสังคมรู้จักเป็นไปตามกฎนั่นนะของทิศ6กนะโดยธรรมชาติอยู่ด้วยกันเ อ, อื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันยังไงพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายาย ลูกผัวเมียสมณะชีพราหมณ์บา่าพรไ่ปฏิบัติต่อกันถูกต้องเป็นธรรมิกะสังคมเป็นเป็นสังคมแห่งธรรมเป็นสังคมพระสีอ่านสีอาริยเมตไตรโดยธรรมชาติสังคมแบบนี้นะในอนาคตท่านบอกว่า หลังจากผ่านยุคสัทถันตร์กับคือการฆ่ากันตายอยู่ประมาณสักเจ็ดวันอยู่นี้เรียกอย่างหนึ่งเรียกว่ายุคมิคสันจีทําลายล้างกันอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนตายกันมอดโลกนี่มันจะมืดมืดด้วยกิเลสตัะหาราคาคดีหรือมืดเพราะไม่มีดวงอาทิตย์ก็ทำตายไปแล้วจะเข้าสู่ยุค ของพระสีอริยเมตไตร ย, ยุคนั้นจะมีคนที่มีสีมีดำเนี่ยค่อยๆทยอยออกมาจากป่ามันเหลือตายนะหลังจากยุคโลกาวินาศผ่านไปเนี่ยคนตายกันหมดข่ากันหมดเห็นกันเป็นผักเป็นปลายจะเหลืออยู่แต่นักปฏิบัติธรรมผู้มีสีมีดำจะได้มาเกาะกําเนิดเกิดไปอีก พอมาจะลงป่ามาสร้างบ้านสร้างเมืองอีกยุคนั้นน้ำท่วมโลกแหละไฟไหม้โลกผ่านพ้นไปไอาจจะเป็นเหมือนคำทานายทั้งหลายทั้งปวงที่เราศึกษามาก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้ยุคนั้นมนุษย์จะอายุยืนมากแปดหมืนปีผมว่าเขาเขียนเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะ เพราะสำนวนในพุทศาสนานี่อะไรเลยแปดหมื่นแปดหมืนดังนั้นนะอายุมนุษย์เนี่ยจะแปดหมืนปีมีโรคอยู่สามอย่างมนุษย์ยุคนั้นนะหนึ่งโรคหิวสองโรคชราสามลืมแล้วโรคหิวเนะี่มีหิวอาหารนั่นเองชีวิตเนี่ยสองชราแก่ตาย ห้าพันปีแต่ ง, งานไหวไหมไม่มีโรคนะโรคภัยไข้เจ็บที่เราบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโรคแบบนั้อแบบนี้มันจะพัฒนาสูงขึ้นสูงครับเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเป็นแล้วนะแปดมืนปีก็หมายถึงอายุเต็มร้อยนะต่ไหวต่อไปคนจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวนี้คนชราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะพัฒนาการทางด้านการดูแลรักษาเรืร่องสุขภาพนอนใหม่มดีขึ้นนะ คนที่อยู่ได้เนี่ยอายุจะยืนน่ะมันน่า จ, จะแต่งงานกันยุอายุห้าพันปีก็อาจจะเป็นห้งงาสิบปีได้แต่งงานห้าสิบปีได้แต่งงานเขาบอกห้าพันปีได้แต่งงานแต่แปดหมื่นปีนะค่อยตายเสื่อมสลายตายไปทุกพิขันตระกับเรานี้ย เกิดนั้นเกิดยุคเขาอยากหมางแพงเดี๋ยวนี้ก็ใกล้ที่จะเกิดสงครามแย่งชิงอาหารกันเลยกันแล้วล่ะจะเริ่มล่ะสังคมจะไม่มีอาหารเราไปดูนะสังคมขอทานเขาได้อะไรมาเแล้วเพรามันแย่งกันจังนะต่อไปนี่จะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นทุกอย่างแพงอาหารการกินแพงนะแต่น้ำมันไม่ค่อยแพงนะต่อไปนี่เพราะคนจะไม่ค่อยสนใจนเขาไม่ใช้ระบบ ขั้นคมนาคมเรื่องของการไฟฟ้าเรื่องอะไรแต่ก็เสี่ยงเสี่ยงว่าเวลาสนามแม่เหล็กโลกแวก่งเนี่ยพวกใช้รถไฟฟ้ากุงเทียบตกตายมดนะเอาดีทีนะั้นรถไฟฟ้ารถนนรถนีใช้เครื่องบินบ่อยๆนะวงจรดิเลตรซนิกมันหยุดทำงานตายเรียบดีเราไปดูที่ญี่ปุ่นปัจจุบันญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้รถส่วนตัวเหมือนประเทศไทยนะ ประเทศไทยนี่โอ้ยขายดิบขายดีรถนะอีซูซู ด, ดีแมโกยอดจำหน่ายรถกระบะที่มากที่สุดในโลกวีโกวีโกในโลกเพราะว่าในโลกนี้มีแต่ประเทศไทยมีรถพิกับนะยอดจำหน่ายรถพิกับมากที่สุดในโลกเพราะมันมีที่นี่ที่เดียวที่อื่นมันไม่ได้มีเราก็เหอกันจังนะแต่พอเข้าไปในพม่านะเขาไปในลาวเขา จะเลเติบทัวเช้ากว่าเราเขากำลังเหื่อมอเตอรต์ไซค์พวกนั้นนะะญี่ปุ่นในแต่ก่อนเขาเหื่อรถเขาจบเรื่องเหื่อรถไปแล้วของเราที่เหื่อมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ก็เริ่มหมดไปแล้วทุกบ้านจะมีรถยนต์แล้วเดี๋ยวนี้เหมาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้ทิ้งแล้วทิ้งรถยนต์แล้วเขาเหลืออะไรเดินเอาเดีนน๋ยวนี้ชอบเดินชอบเดินชอบอะไรไม่ค่อยมี วันเีรมีมีชาวสิงคโปร์นะมาเป็นผู้จัดการบริษัทเขามีเงินนะปีเดีลรเก็เสียภาษีไปสิบสองล้านแต่ยังไม่มีรถยนต์ใช้ที่จะพูดในฟังเนี่ยคือเขายังไม่มีรถยนต์ใช้เลยในสิงคโปร์เขาว่ามันสะดวกสมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้อะไรอย่าเขึ้นะรถโดยสารไปยืนรอรถขึ้นไปแต่ มันเป็นง่ายๆชีวิตวเขาเขายังไม่มีรถยนต์ใช้เลยแต่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ชอบเวลาเดินกลับไปเขาไปนอนในวัดกับหลวงตาหลวงตาสุขภาพไม่คดีเขาเอารถไปรถคนอื่นไปส่งบอกให้เขาขึ้นด้วยเขาไม่ขึ้นเขาเดินเนาเขาชอบเดินชอบเดินไปนะ ของเราไม่มีหรอกในน้อยก็เหมือนกันแค่มาเปิดงานเนี่ยยังขี่เ็นก็นนย่อเอเอออกมาเปิดงานเนี่ยดูดิมันสร้างวัฒนธรรมชั้นเลวไว้กับสังคมมพวกเนี้ยลองดู ด, มามาดิผ่าเข้ามามัดผ่าเอวเดินมาเปิดงานเขี่จักรยานมาเปิดงานดูดนะิให้มันมีบ้างอันนี้มันไม่มีนะ นั้ น, นกลไกทางสังคมส่วนหนึ่งก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีคุณธรรมพอที่จะเป็นทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานเนี่ยมันไม่มีไมันไม่มีมันมีแต่แบบอย่างที่อะไรอะไม่เรียกว่าเลวนะนะแต่ว่ามันไม่ดีอ่ะไม่ดีเราจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่ดีลองดูดิไปธรรมดาธรรมชาติดูดิ เดินไปขี่กยรยานไปนั่งสามล้อมาเห็นไหมฝรั่งเข้ามาเมืองไทยสิ่งที่เขาชอบอะไรทุกๆขี่รถตุกๆของเราคันหลายๆ ล, ล้านวนะันก่อนลงตานั่งรถเท็กเล็กสัตวนะ์โว้มันใหญ่โตเนาะขี่เล่นๆ ล, ลองดูนะ ก็เหมือนกันนะเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ก็จะตายเหมือนกันคนนั่งข้างบนนะนะพูมฐานโก้อยู่หลายล้านอยู่แต่ว่าก็จะตายอะ่ะตกหลุมตกล่องก็เจ็บเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวกันนะนะอันเนี้ยพี่วํามันส่งเราไปถึงที่ก็พอแต่คนมันพูมฐานซื้อความโก้เนี่ยมากดนั้นะ พัฒนาสติสัมปชัญญะตามระบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยถือว่าถูกต้องนะะแต่ว่าทําให้มันดีถูกต้องตรงไหนตรงที่ว่าทุกมันคลายออกคลายออกคลายออกไงมันคลายออกมันไปสู่ที่สิ้นสุดปัญหาก็คือมันได้ปัญญานั่นแหละเราศึกษาเราเรียนรู้อะไรที่มัน สิ้นสุดปัญหานะที่แท้จริงคำว่าสิ้นสุดปัญหานี้อย่างที่พูดไปในเบื้องต้นก็ต้องสิ้นสุดเบื้องต้นในปกติ <c oughs> เบื้องกลางก็สมาธิมากขึ้นแล้วสุดท้ายคือรู้แจ้งนาไปสู่สิ้นสุดปัญหา <c oughs> นั่นชีวิตเรา <c oughs> เวลาเราพัฒนาเนี่ยเราสังเกตไหมแต่ละวันแต่ละวันมันปกติเพิ่มขึ้นั้มสมาธิเพิ่มขึ้นไหมไม่ไมอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดนะ เพราะอะไเพราะว่ามันมันต้องฝืนออกจากสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นฝืนฝืนกระแสะนะฝืนความคิดความอยากรู้สึกว่าอึดอัดขัดเคืองมันไม่เป็นหนั่งใจจะปฏิบัติธรรมนี่ก็โอ๊ยทต่มันไม่เป็นอย่างที่เราเลืกอกเน้ะมันไม่เป็นให้แล้วเราก็ไม่พอใจเฮ้ไม่เอาละไม่ถูกทางไม่ถูกจริตเลิกอะไรประมาณนะั้น มันม่นึกว่ามันเอากิเดตมาแปดหมื่นกรหาปณะนะในคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามัน ม, มีมีทุกอยู่หมื่นโลกกรธาตุในตัวเราเนี่นะหมื่นโลกกระธาตนะุมันมีมากถ้ารักทัดชังทัดโลภทัดโกรธทัดหลงมันเป็นโลกนะโลกระธาตุ ที่มันแสดงออกปรากฏการทริยาติยางมันมากมายหลากหลายโจทั้งแก้ไขวลามาวันหนึ่งนี่จะให้มันเป็นเป็นได้ถ้าคุณทำเป็นสำคัญว่าต้องโทษสติปัญญาคุณเนะี่ยมันเกิดน้อยหรือมันไม่เกิดเลยนั่นเองเดินจุกรมมันก็ไม่เกิดไม่เกิดคือต้องดูภูมิธรรมแล้วโอ้ภูมิธรรมยังไม่ดีเนาะภูมิสติภูมิปัญญายังไม่มีนะเนี่ยนะก็ทาต่อ ฝึกอยู่เรื่อยๆฟังแค่นี้ก็พอรู้นะว่าทุกข์มันเกิดที่กายกับใจเพราะเราไม่เห็นมันนั้นเราก็มาเฝ้าดูไอ้มันเห็นนะเดินไปก็เห็นเห็นทำทำคืออะไรทำก็คือก้อนทุกข์อันนี้แหละคือกายเนี่ยกายนี่เป็นธรรมชาติอันหนึง่งมันเป็นทุกข์เกิดที่ไหนเกิดที่กายอันนี้เราก็มาเฝ้าดูกายนี่พอไปพขมาเอา้ามันมีทุกข์อันหนึ่งที่แฝงเล่นอยู่ข้างในเนะี่ยตัวซ่อนอยู่ด้านหลังคืออะไรความคิดอืม ความคิดก็คือจิตนั่นแหละจิตนี้มันเป็นอะไรจิตยังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดวิชานะะเมื่อถ้ามันมีวิชาปุ๊บจารณะมาัะดีเลยวิชาจารณะสัมปโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นสุขโตไปไหนก็ดีไปหมดจิตเนี่ยไปไหนก็ดีไม่มีทุกข์จะคิดอะไรอะไรก็ไม่มีทุกข์จิตเนี่ยเป็นสุขโตสุขโตตลอดเวลาเลย เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วไปไหนก็ไม่ทุกอยู่ไหนก็ไม่ทุกเราก็จะเห็นน่ยถ้าเรามีคุณธรรมนี้ปรากฏขึ้นในใจโอ้เบื้องหลังมันเป็นอนี้นี่เองเนาะเนี่ยมัก็ถอยโอ้เมื่อเกิดความอยากแล้วก็เขาอยากก็รู้ปล่อยว่ากลับมาอยู่ปัจจุบันนะเห็นไหมปรากฏการณ์ของความคิดความปรุงแต่งที่ไม่รู้เท่าทันมันสร้างปัญหากับโลกเนี่ย มันมันมีครอบมีครัวมีตัวมีตนมีอะไรต่างๆมากมายหลากหลายปัจจุบันเนี้แล้วก็ตามแก้กันอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ทันความคิดในอดีตนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าสิ่งที่เรามีปัจจุบันนี้คือวิบากขันวิบากขันเป็นวิบากของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณขันขันแปลว่ากลุ่ม แป็ว่าหมวดเป็ว่าหมูเป็ว่ากองหมูรูปไม่ทันรูปนะเจ็บใครได้ป่วยปัจจุบันนี้ก็ไม่ทันไม่รู้เท่าทันมันอนะเราไม่เข้าใจมันหมูเวทนาเวทนาพอใจไม่พอใจกองพวกนี้ยกองเวทนาทันมันไหมไม่ทันเวทนาก็ปรุงแต่งกายยืดยาวไปเวทนาศักแต่ว่าเวทนาได้ ไ, ม, ไม่ได้เพราะอะไร ความอยากมันมีความคิดมันยังเยอะไม่ยังหลุดเข้าไปในอารมณ์ได้อยู่สติไม่พอสติคือตัวราลึกรู้ให้อยู่ไปอยู่มันเนี่ยมันไม่แน่ น, นพอฉะนั้นเราก็ต้องเลลึกรู้อยู่บ่อยๆบๆทวงมันบ่อยๆเลยลึกรู้ไปย้ำสลัดอยู่บ่อยๆสลัดทิ้งความคิดเวทนาพอใจไม่พอใจเหมือนไฟตกลงมาปุ๊บที่ตัวเราเองเนี่ยท่านบอกว่า ให้เหมือนเศษไฟที่ก็เด็นมาใส่หัวความคิดเนี่ยพร้อมกระเด็นปุ๊บปัดทิ้งทันทีเลยอย่าให้มันชาดขึ้นมาเส้นผมเส้นขนหมดหัวหัวโปกหัวปูดมาเป็นแผลเป็นติดทีบางคนเป็นแผลเป็นนะเป็นแผลเป็นก็คือเลือลังนั่นแหละรักคนนี้ก็ต้งว่าติดอยู่ในใจแล้วไม่ขาดไม่ปล่อยเลยมันเป็นแผลในใจอกหักดังเปาะนะเจ็บตั้งแต่นั้นมาเป็นแผลเป็น นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรช้ำใจทูกดีรักมากชังมากทุกมากเป็นแผลเดีนดี้ไม่ให้มันเป็นนะพอมันกระเด็นขึ้นมามันจะนั้นปัดทิ้งอย่าเพิ่งให้มันเป็นแผลอย่ามันไม่ใจอย่ามันไม่ใใจเอาโยอมคนหนึ่งไปไหนแล้ว ไ, ไปแอบเป็นนอนในห้องน้ำเลยเลยเนี่ยไม่มาสักทีนี่หลับตาเทศก็จริงนะที่กคยเห็นเนี่ยแล้วใครขยับไปขยับมาเนี่ยหลับตาเทศสี่พ่อลงตาไม่เอาเป็นตามันแสงเข้าตาไม่ได้ รูปนะหลับปูก็ไม่เป็นไรในห้องส้วมดมขี้ไปก็ได้วเาทุกคูได้หลับสังขารสังขารมันเอาหมดแหละยังไงมันก็เอาอแต่ไม่ได้สนองมันนะ่ะเวีธนาอันนี้นะเราได้หมดคนไม่เห็นกูก็พอใจละเฮียกูบา้ากูบา้าอ๋อกูบ้าก็เอามัน ก, กันหอ เป็นธรรมดานะญาติโยมจะได้แปลกาอกเปลกใจนะจะด้เปล่าอกเปล่ใ จ, นะ เ, ป เ, ปใจเป็นเรื่องธรรมชาติหลวงตาก็ดูธรรมชาตินะธรรมชาติบางคนบางท่านเขาถึงก็บอกไงว่านี่จะนอนไปหาสวรรค์มิมาแล้วเป็นแดกหาอะไรนอนไปขายหรือมันไม่รวยนอนเนี่ยเอาไว้ไปนอนในโรงศพอีกเถอะไปชีวิตเนี่ยเขาบอกงี้นะนอนในโรงศพแล้วคนจะไม่ปลุกขึ้นมาเลย บางทีมันสนอยโซก็ตายจนงโน่้อนเนี่มันมันจมในใจมันมายอมดอกมาย้วยมเสียดแ น, น, น่อนตีนะเขาิืนว่าตายตัวไม่รู้เพราะเข้าใจจะไม่เถียงน่ะนะมันเถียงเถียงก็อนิจจังเดี๋ยวก็พังไปนั่นเราก็พยายามทําใจให้เห็นโอ้เป็นอย่างนี้เนาะรูปเป็นเนี่ยพอเรารู้จักเบื้องหน้าเบื้องหลังของชีวิตปุ๊บมันก็ปล่อยอะ ปล่อยปล่อยที่ยึดเนี่ยพอปล่อยยึดมันก็กลูล่วงลงมาหมดพอมันล่วงพรุบลงมาเนี่นั่นแหละสมมติมันเกิด น, นนะน่ะนั่นแหละเข้าใจสมมุติแบบปรมัณอะไรเนี่ยเข้าใจไหมมันล่วงลงมาเนี่ยลองดูดิลองถอนอุปทานถอนน็อดถอนตะโูนี่ออกดิเนแต่งหนีกันออกได้ดิหนีใครหนีใครหนีทันก็ทันนะหนีไม่ทันก็ตายนะอเ น, นี่ยหลังคาบ้านดินนี่มันหลบถลบทลงมาเนี่ยลองถ อ, นนอดน็อตนี่ออกดูดิ สักคนขึ้นไปเนี่ยใครทำได้ช่างใช่ไหมช่างช่างถ้ามันถอนเนี่ยมันจะไม่ตายแต่คนไหนที่ไม่เป็นช่างมันไม่รู้จะไปถอน ไ, ไหนก่อนเหมือนเรานั่นแหละคุณมาฝึกเป็นช่างให้กับตัวเองแล้วถอนอุปทานนี่ออกช่างเวลาเราสวด น, นะ นี่เหนืนายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปความคิดที่มันสร้างกรอบขึ้นมาแล้วจิตมันแวบเข้าไปอยู่ในนั่นน่ะนั่นแหละนายช่างผู้ปลูกเรือนดูก่อนสถาปนิกนะดูก่อนสถาปนิกผู้สร้างเรือนภาษาบ้านเราก็ดูก่อนพยาตันหาตัวตันหาที่คิดให้บ่อยๆเดี๋ยวคิดอีกแล้วคิดอีละพอรู้แจ้งถึง ต้นเหตุของตันหาจริงๆเนี่ยมันดับมันถอนตัวแล้วมันเกิดการหดตัวสมัยเด็กๆเนี่ยดมหางกระปอมไอหานันกะ็มาหลอกกูดมได้ดมดูที่หางหอมมากแนะ้ว ห, หางกระปอมกระปอมรู้จักกระปอมนะออกิ้งก่านะั่นแหละ มันดมแล้วหอมอหอมจังหอมจังเราล้วก็ยื่นจมูกไปดมพอไปดมเพะมันดึงลูดไปทันทีเนี้ยโอ้หมดเลยเนี่ยกินข้าวไปนะมันเผ็ดมันร้อนมากตั้งแต่นั้นมาเราก็ว่าหอมเหมือนกันนะไปหลอกเด็กเหมือนหอบนะมาดมเลยหอบมันไม่ยอมเสียเปรียบใครมนุษย์เป็นยังไแหละเวลเราคนอื่นมาดมเราก็ดึงลากเหมือนกันเนี่ยโอ้คนเนี่ยมีแตนตกลงมาเนี่ยทําไมมันไม่เอาไปดมดูเพราะมันรู้ไง รู้มันจะเจ็บตัวเดี๋ยวนี้อยากให้คนรู้ว่าความคิดเนี่ยจเจ็บตัวนะอย่าไปยุ่งนะเนี่ยแต่บอกจะไงบอกยังไงบอก จ, อกจนจะปากฉีกขึ้นมาถึงหูนี่มันก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันยังชอบอยู่ชอบความคิดนะบางคนยังมันตั้งแต่เช้าตีรั้งแม่งเริ่มชกรู้สึกตัวหน่อยหนึ่งนอกนั้นแผมดมันเย็บหน้าเย็บยบเยเอาเจนทั่งว่า ตอนตีหรือครั่งตอนเทนปังตื่นว่าอ้อยไข่แน่มันกินข้าวเข้าไปถูกมันกรแทได้ๆ ๆ, ๆ, ๆๆเอีกเหมือนเดิมแพ้นกตลอดเวลาตีจนตายเจ็ดวันเนี่ยกลับไปบ้านพอมาแต่ใสกู ม, มาแต่ปฏิบัติทมเป็นทังไงเนี่ยได้ธรรมะมาแล้วได้ธรรมะมานะ ได้ทำมากรับบ้านได้อะไรอยู่ในใจนี่แหะไม่ไหได้ยังไงอยู่ในใจนี่แหละเอามาเบิ้งดูมึงมึงจะอะไรก็บเพจเอาแหละดูก็รู้แล้วอาการมันไม่ปกติแล้วเนี่ยเขาดูแล้วมันไม่มีธรรมชาติกลับไปคุณพอ่อไปยังไงไปปฏิบัติธรรมอ๋อไอบอลมาขัดไรอะไร <c oughs> อย่างนี้โอ้แสดงว่าเราหยาดยั ง, ยงเฮียอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าเรามีอะไรในใจ อย่า ง, งั้นจะได้ใจเนี่ยทำความเข้าใจมันดีๆนะทุกตรงไหนดูที่นั่นนะถ้าเป็นคำสอนของพุธศาสนาของพระริช้าที่แท้จริงก็คือดูแล้วดับเลยนะเอเทศานิรุชมานานิรุชติดับได้เลยอะ่ะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ ดับแบบสบายง่วงมาก็หายใจหน่อยเดียวก็พริบตาหา ย, ห, ายหรือเห็นอยู่ข้างในนู่นน่ะก็ดับข้างในธรรมะก็คือพวกนี้แหละเมื่อไหร่ที่ทุกมันน้อยลงน้อยลงจนทั้งมันดับลงดับลงดับลงเนี่ยก็คือหมดทุกแหละยานสิบหกนี่เหมือนอุณหภูมิน่ ะ, นะถ้าเราขยับไปนี่ก็ดับทุกเ์ได้นี่สองยานสามยานสี่ยานห้ายันหกยา น, ายยา น, ยานไปถึงสิบหกยานนะ คือเป็นปรากฏการณ์ของอารมณ์วิปัสสนานั่นเองยิ่งเราเดินขึ้นไปสูงสึงที่สุดปุ๊บรอบแรกอ้าวก็ขเข้าถึงความความเป็นผู้พ้นทุกระดับหนึ่งนะแล้วทำอีกทาอีกบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆก็เหมือนเดิมเดินอยู่ในเส้นทางอันเดิมปฏิบัติทํามเนี่ยเส้นทางของการเจริญสติเดียวเส้นทางอันเดิมและลึกรู้ตัวเฉยๆนี่ อยู่บ่อยๆ อ, อยู่กับปัจจุบันนี้เฉยๆคนปฏิบัติทำขั้นไหนก็ตามคุณก็กลับมาเลือกรู้อยู่เหมือนเดิมอย่างพระพุทธองค์ในท่านว่าตถาคตมีชีวิตอยู่โดยมากในอาณาปรสติพระไตรปิฎกว่านะก็คือชีวิตของท่านนอยู่ในสุญเตลวิหารอยู่ในอาณาปาแต่ละวันก็อยู่กับลมหายใจยกับลมหายใจอยู่โดยธรรมชาตินะ เราก็เหมือนกันเน่ยอยู่โดยธรรมชาติที่อยู่กับปัจจุบันธรรมไม่ไปอยู่กับอดีตอนาคตมา ล, ลึกรู้อยู่ดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนะึก ล, ลึกรู้แค่นี้รู้รู้นะไม่ใช่เข้าไปอยู่นะหลายๆคนมันจะเข้าไปอยู่ในความคิดนะอย่าเข้าไปในความคิดอย่าเข้าไปอยู่ในตัวรู้บางคนมันอยากเป็นรู้มันมีความสุขนะได้รู้มีความสุข ก, ก็อยากเข้าไปอยู่ในตัวรู้แล้วเพ่งจ้องมากอย่าเข้าไปใช่ไหม นะรู้ก็คือรู้นะนะรู้นี่ไม่ใช่เราสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่เขาไม่ให้เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉยๆนะเรามีหน้าที่ระ ล, ลึกรู้เราก็รู้เฉยๆเนี่ยปล่อยวางมันไป <c oughs> มีคนมาถามต้องถา องตาถ้าเกิดบรรุทำเลยแล้วครอบครัวล่ะไปเชิญเขามาอยู่กับเราแล้วมีลูกแล้วนะมันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเลยเราออกมาสวรรสุขนิพานเนี่ยนิพานได้หรือยังยังมันก็ไม่เกิดปัญญาดิมันจะเกิดปัญญาอะไรเนาะพาเราเองก็ยังไม่รู้แล้วแต่เราก็คิดไปก่อนนะ ก็เลยว่าโอยถ้ามันเห็นเป็นศักตาว่าเขามันมันก็เข้าใจของมันเองหรอกเดี๋ยวนี้เราเหมือนคนไหว้น้ําไม่เป็นนะถ้าจะจูงกันก็ตายเหมือนเดิมมาแหละตายหมดครอบครัวไปฝึกไหวยน้ําไม่เป็นก่อนฝึกไหว้น้ําเป็นก่อนไหว่ความคิดให้เป็นก่อนนะเดี๋ยวเราไปอยู่กับครอบครัวแล้ก็อยู่กับความคิดเขาก็คิดเราก็คิดนะ่ะเขาฟาุ้งซ่านเราก็ฟุ้งซ่านเราปรุงแต่งมีแต่ความทุกข์ มิแต่อยู่กับของไม่จริงไม่จังของอ น, นิจจังทุกอยงอยู่กับรูปรถกลิ่นเสียงได้อะไรแต่ละวันเนี่ยพักกันได้อะไรลงทุนเนี่ยพักกันได้อะไรอ่ะกินไปวันหนึ่งหนึ่งเหรอไม่หาก็ไม่ได้กินนะมันพูดนะลูกท้าวอืมไม่หาก็ไม่ได้กินก็ถูกอยู่หรอกแต่ว่าชีวิตของพระเนี่ยลองมาเป็นดูไหมไม่หาไม่ได้หาเนะ่ แต่จะได้กินนะเนี่ยเดี๋ยเขาก็มาตั้งไว้แหละไปบินบาทก็ไม่ได้มาหานะไปเฉยๆก้มหน้าก้มตาไม่ได้มองใครนะถ้าคนไหนมองหานี่จะไม่ได้กินนะเขาเฮย้ยพระกูน้นไม่เหมือนพระเลยว่ะไม่ให้กินไม่ได้กินเลยนะต้องกม้มๆสำรวมคนไหนผ้าโกโก้หน่อยรู้ๆหน่อยไปบินบาทเขาก็ไม่ให้นะรวยแล้วต้องผ้าเก่าๆ ข, ขาดๆตับๆตอนไปบินบาทนะแต่ตอนอยู่วัดก็โก้แหละ อย่างนั้นจะได้กินคือลองรักชีวิตแบบนี้ไหมชีวิตแบบส ม, มณะเนี่ยอ้าวบวชมาทำอันนี้อย่างเดียวนี่สวัสดกันขบการฉันการกินอาชีพการงานอะไรไม่มีเหลือแต่ปฏิบัติอย่างเงี้ยทาการทํางานก็ทําการทํางานเพื่ออันนี้ตัวประโยชน์ต่ออันเนี้ยมีเป้าหมายคืออันนี้ไม่มีอนาคตอันเนี้ย ไม่ได้มองไปที่อนาคตนู่นน่ะทำแต่ปัจจุบันเฉยเฉยเนี่ยทําแล้วก็อยู่ปัจจุบันเฉยเฉยทุกอย่างที่ทําไว้ไม่ได้ทําเพื่อเราไม่ได้ทําเพื่อโรคเพื่อใครเพื่อแก้ทุกแต่ละวันแต่ละวันไปไเฉยเฉยแล้วจะเห็นแก่ตัวได้ยังไงเนี่ยบางคนยังไปแก้ความนะว่าจงเห็นตัวแก่ แต่จะเห็นแก่ตัวชงเห็นตัวนี่มันแก่เห็นไหเห็นตัวมันแก่แก่ลงแก่ลงแต่จะเห็นแก่ตัวก็ถูกของเขานะนก็ทำให้เราปรงได้วันวันหนึน่งนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่บ่อยๆมอ้อบ่อยๆก็ถือว่าไม่ประมาทในระดับหนึ่งแล้วนะแต่วันหนึ่งส่องกระจกก็จะมีแต่จะเสริม <c oughs> มันได้เสริมเอานะเสริมช่วยนะนะ มันจะสวยไปเรื่อยนะมันไม่สวยนะมันเรียไปกายเาเรียก ว, ว่าสวยไม่มีอะไรดีขึ้นเนะ่ะชีวิตเนี่ยวันวันหนึ่งให้ใจมันดีก็พอแล้วร่างกายมนก็สุดโซมลงสุดโซมลงเป็นธรรมชาตินี่ไม่เห็นเก่ตัวหรอกนะถ้ามัวไปเห็นแก่ส่วนรวมอยู่นั้นตายหมดเลยว่าดีแ่ะส่วนมากมันก็เห็นแก่ตัวละอันนั้นนะอันนั้นแหละมันเห็นแก่ตัวตัวกิเลสแหละอันนั้น แต่นี่ก็เห็นแก่ตัวตัวทำอันนี้คนละตัวทำก็คือเห็นตัวธรรมคือเราจะฝึกชีวิตนี้เขาไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติอนะันที่มัไร้การปรุงแต่งนะฮะไร้ความคิดความอยากให้มันเป็นอันเดียวกันนะภาวะนะั้นดําเนินชีวิตไปธรรมชาตินะะไม่มีอะไรจะมาบีบเราอะเมื่อวานเขาเอาขนมมาถวายสองถาดนะล้นตา ก, กระเดาเฉยๆนะ ดูนี่มันไม่น่าจะเค้กอันนี้มันไม่น่าจะหวานนะอันนี้ก็เลยทิ้งไว้ที่นี่พระคงว่านะโอ้ยเหลือต้องถาดบักใหญ่จะไม่ยกมาให้เนาะเพราะรู้ว่าพระเขาต้องกินหวานหวานเขาตาก็หยิบแต่ถาดที่มันหวานแต่ถาดที่เค้กที่เขาไม่เติมน้ําตาลมันไม่มีเลยเนี่ยเหมือนกินข้าวเปล่าเปล่ า, ลาคือเขารู้นะว่าไมาใ่ใ ล, ลูตาคือเขาไม่ใส่น้ําตา ล, ลก็เลยเอาอันหวานหวานให้พระเขาอนะ แต่ก็ยกออกไปก็ถาดใหญ่ที่เหลือเขาโอ้ยตะนีเนาะเขาจะว่าละ่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปทุกกับเขาเขาคิดแค่เรื่องเขาแต่เราก็ก็เฉยๆเพราะว่าเราคือมันทำถูกแล้วมันก็จบไปอะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรถ้าเอาให้โยมก็โยมคงไม่กินนะเพราะมันมันเหมือนกินข้าวธรรมดาแต่เขาทำรูปมันสวยเฉยๆคนเราก็จชอบแบบนั้น คือจิตเนี่ยถ้าเราทําถูกแล้วเนี่ยมันจะไม่กลัวอะไรเลยมันจะเฉยเฉยไม่ต้องการคําอธิบายให้ใครฟังหรือว่าไม่ต้องการให้ใครมารับรู้สิ่งที่เราทําว่าถูกนะเนี่ยเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรเลยมันไม่ต้องการว่าโอ้ยกลัวเขาว่าจังงั้นก็ย่างคิดในโนคิดในนี่ ค, ค, คิดเฉยเฉงเลยใครคิดอย่างไคือเราไม่ได้คิดกับความคิดคนอื่นนะ่ะนั่นเองมันก็เฉยเฉยเฉยของมัน่ะ นั้นตั้งใจดีๆอย่าโยม b ทั้งหลายชีวิตได้เกิดมาอืมตาพูดเสมอมคหนเดียวแล้วตายหนเดียวนั้นจบนั่นี่ชีวิตอันนี่เกิดมาเจ้เดียวพบพระนะพบพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ไประโยชน์กับการ น, นับถือพุทธศาสนา เ, าเสียเลยพบความสอนพระเจ้าเกิดมาในเนี้ยเราไม่ใช่เกิดในแถวเอธิโอเปียโซมาเรียนนะหรือไม่ก็เกิดในอเมริกาใต้กัเตมาลาคนนั้นไม่ เราเกิดในดินแดนที่มีพุทธธรรมแต่เราไม่ใส่ใจที่จะศึกษาเอามาพัฒนาจิตเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารน่าเสียดายโอกาสนี่แล้วตายฟรี น, นี้คนตัวดำๆนี่จะแปลกนะเขาจะชอบใส่สีแดงๆสวนมากเพราะลงตาไปเห็นว่าพวกซาไก่นะพวกง้อป่าซาไก่ก็จะเป็น แล้วพวกผีตองเหลืองเนี่ยที่อยู่ตามป่าตัวนี่มันชอบสีแดงๆ ด, ดอกไม้แดงอะไรแดงอันพระตัวดำๆก็เหมือนกันแต่ชอบใส่ถ้าไม่ใส่ผ้าดำคลุมปิดสีไปเลยก็ใส่แดงไม่เป็นอย่างนั้นนะคือจิตจิตจิตมันเป็นอย่างนั้นเป็นจิตวิทยาแบบหนึ่นงเราจะสังเกตเห็นนะแต่ของพุทธิเาท่านว่าพิสูนทั้งหลายเธอนุ่งผ้าเปลือกไม้มีผ้าเปลือกไม้อะไรก็นุ่งไป เปลือกย้อมแก่นขนนขนนรู้จักนะบางมีเนี่ยย้อมไปคือให้มันอยู่คล้ายๆแบอะไรเป็นเป็นกลมกลืนกับธรรมดาธรรมดาี่คือกันเปื้อนเฉยๆเน่ยประมาณนแต่คนปัจจุบันก็เอาจริงเอาจังกับมันเหลือเกินยิ่งถ้าเธอไปเห็นพระกระเทยนี่โอ้ยมันประดับตกแต่งไม่เธอบัวผูกอกผูกอะไรแต่ผ้ารัดอกพัดเอวส่วนสวยดีจัง อันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาอันนั้นก็ลุงตาพูดให้ฟังเนี่ยพวกให้พวกเธอไปมองกลับมาที่ตัวเธอนะไอชอบสีนั้นชอบสีนี้ชอบปันเด็กับไปนี่ยเปลี่ยนซะเปลี่ยนทายยังไงก็ได้ยังไงก็ได้นะใช้ได้ชีวิตอันเนี้ยหลุงตาจะให้ไปปัดกวาดทำสาสะอาดเนี่ยตั้งแต่หลังห้อ ง, องพวกเนี่ย ทำสะอาดนะไม่กวาดก็มีไม่เยอะนะถ้าพระเอานี่ก็จะหมดพอดีสักปรึกษาฮนลือกันหน่อยจะให้พระเอาหรือโยมจะเอาโอโยมทีพระก็บอกม า, าให้โยมซะเสียสละช่วยกันประกาศทาคว า, าดแต่พระก็มีอะไรก็ทำแล้ ว, ลวมีไม่ฟอยไม่กวาดไม่อะไรก็ช่วยกันคือคล้ายๆว่า ให้เราพัฒนาคุณธรรมในการทํางานเนี่ยทำเป็นไหมทำงานแบบมีสติและลึกรู้เลยใครพอลดไม้ลดน้ําต้นไม้พอใครปัดกวาดใครถูใครทําสะอาดปัดกวาดอยากใช่ทาไปหางานทําอ่ะคือเขาสั่งทํางานคือทํางานพัฒนามันเป็นไม่รู้ว่าไม่มีอะไนั้นไม่มีอันนี้แล้วไม่มีปัญญาแสวงหาเนี่ยนะเที่ยว่ามันไม่อยากฝึกฝนกับบทเรียนอะไรที่มันยากๆขึ้นหน่อยมันปฏิเสธจิตเนี่ย อะไรที่มันถูกใจมันถึงจะเอาถ้าเป็นอย่างนี้คุณไปอยู่ที่ไหนเนี่คุณเลือกได้ตามใจเหรอมันไม่มีให้หลอกโลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าคุณยอมรับได้ทุกสภาวะ ก, การน่ะคุณพัฒนาได้คุณอยู่ได้อยู่ที่ไหนคนก็รักอยู่ที่ไหนคนก็ชอบอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครเพราะตัวตนคุณไม่มีลองทาดูดิพร้อมกันเตยมตัว